อั speak Thai? Thai นจกพูดภาษาไทยรู้จักคำว่าสบายใจไหมไม่สบายใจรู้จักไหมไม่สบายใจเกิดจากอะไรรู้จ่ะเกิดจากความอยาก อยากได้ได้อยากได้นี่อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้พอไม่ได้ก็ไม่สบายใจถ้าอยากจะสบายใจก็ยังไงก็ได้เข้าใจไหมเข้าใจต้องบอกอะไรก็ได้ไม่เป็นไรได้ทุกอย่างรอนก็ได้หนาวก็ได้หิวก็ได้อิ่ก็ได้ หิวก็หาพุทธโธพุทธโธไปเดวก็หายหิวเลยนั่งสมาธิไปเดี๋ยวก็หาหิวพระพุทธเจ้าไม่กินข้าวมาสี่สิบเก้าวันเยอะไหท่นพุทธโธตั้งสมาธิไปก็ไม่หิวความหิวอยู่ที่ใจร่างกายมีกินไม่มีกินมันก็ มันก็อยู่ของมันไปตามเรื่องของมันมันอยู่ไม่ได้มันก็ตายไปแค่นั้นเองแต่ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายถ้าใจสบายก็อยู่ที่หจก็สบายหิวก็สบายอิ่มก็สบายดีพวกเราไปหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายกัน ก็เลยที่ว่าเวลาสิวก็ต้องให้ร่างกายกินกินจนร่างกินเนี่บอกว่าไม่ไหวแล้วหมอบอกว่ากินมากเกินไปแล้วกินยีงกระทั้งไม่สบายคนเราสมัยนี้ไม่ได้สบายเพราะอดกินนะไม่สบายเพราะกินมากเกินไปเพราใจไม่สบายเวลาใจไม่สบายก็กินข้าว กินอาหาราหารเครื่องดื่มมามันก็สบายเดีย ว, วเดียวแ้วเดียวมันก็ไม่สบายใจก็กินเนวันหนึ่งกินวันละกี่รอบนะถ้ากินเพื่อร่างกายจริงจริง ก, กินแค่ครั้งเดียวก็พอเนี่ยอาตมานั้นแต่บวชมาถึงสี่สิบปีกินวันละคั้งนั้นอยู่ได้สบายไม่เดีื่นะ เวลาใจหิวก็นั่งสมาธิไปทําใจให้สงบแล้วมันไม่หิวมันไม่ได้ร่างไม่ไใช่ร่างกายที่หิวใจของเราเหิวหิวตลอดเวลาหิวอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะไม่เคยได้อาหารเราไม่เคยให้อาหารใจอาหารใจคือความสงบ น, น, นั่งสมาธิเนี่ยเป็นการให้อาหารใจ น่าสมาธิได้บ่อยๆคอที่อยากจะลดน้ำหนักนี่เดี๋ยวเดียวไม่กี่ปีไม่กี่เดือนเป็นคนละคนเลยรับรองได้เพราะไม่ต้องกินร่างกายไม่ต้องการอาหารร่างกายบอกมันมากเกินไปต้องการลดต้องการร่างกายไม่ต้องการอดแต่กลับให้มันกินอยู่เรื่อยๆ เพราะว่าเราไม่ได้ให้อาหารใจเวลาใจหิวก็ไปให้อาหารร่างกายใจกับร่างกายนี้เป็นคนสองคนเวลาคนนี้หิวก็ไปให้อีกคนกินไอ้คนนี้ก็ผอมอยู่เรื่อยๆไอ้คนนี้ก็อ้วนขึ้นไปเรื่อยๆเพราะให้ไอ้คนไม่หิวก็ให้มันกินเนี่ยนไม่หิวไม่ให้มันกินมันก็เลยอ้วนใหญ่อ้วนเนี่ไอ้คนหิวไม่ให้มันเนี่ย อาหารของ้คนนี้ไม่ไม่ให้มันไปให้อาหารของคนนั้นเวลาหิวใจหิวนี่ก้นั่งสมาธิทำใจให้สงบใจสงบแล้วจะอิ่มได้มาพระพุทเจ้าเคยไม่ให้อาหารร่างกายสี่สิบเก้าวันไม่ตายท่านให้อาหารใจเวลาหิวก็เข้าสมาธิไป เวลาหิวก็เข้าสมาธิไปมันก็ไม่หิวหายหิวแต่ใจมันแต่ร่างกายมันร่างกายมันจะตายถ้ามันขาดอาหารมากเกินไปก็ตายได้พระพุทธเจ้าเลยต้องอดอดอาหารอดหยุดการอดอาหารเพราะถ้าถ้าอดต่อไปร่างกายก็ต้องตายแล้วใจก็ยังหิวอยู่ วการทำสมาธินี่มันมันไม่ได้ดับความหิวอย่างถาวรดับความหิวเชื่อขณะที่เข้าไปในสมาธิพอจากสมาธิมาเดี๋ยวก็หิวพระเจ้าจเลยต้องมาหาวิธีทำยังไงไม่ให้หิวตอนที่ออกมาจากสมาธิจะต้อใช้ปัญญาปัญญาจะสอนใจว่าไม่มีอะไรในโลกนี้สามารถให้ความอิ่มกับใจได้ แล้วก็สิ่งที่ทำให้ใจหิวก็คือความอยากตา่างๆที่ว่าได้มาแล้วใจะจะอิ่มจะมีความสุขแต่ได้มาท่างหลก็ไม่พอยิ่งได้ก็ยิ่งอยากได้มากขึ้นถ้าหยุดความอยากได้ความหิวก็จะหายไปก็จะเล้ยงอะไรหยุดความหิวเวลาใจอยากได้อะไรก็ไม่ให้มัน อยากดื่มกาแฟก็ไม่ให้มันดื่มถ้าจะให้ร่างกายก็ให้เท่าที่จำเป็นให้ตามความต้องการของร่างกายร่างกายก็อยู่ได้ใจก็อยู่ได้ปัญหาก็มีแค่นี้ปัญหาคือเราต้องหยุดทำตามความอยากต่างๆอยากได้เท่าไหร่ก็ไม่พอ ได้มาแล้วก็ดีใจเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวก็อยากได้ใหม่ ừ ừ ừ ừ ừ ừ เด็วจิงต้องมาฝึกสมาธิกันแล้วก็วสอนใจว่าอย่าททำตามความอยากยกเว้นความต้องการ การจะเป็นที่ร่างกายต้องมีก็ต้องให้เขาเช่นลมหายใจยนี้ต้องหายใจอยู่เรื่อยๆน้ำต้องเดืออยู่เรื่อยๆแต่น้ำไม่ต้องมีรสไม่ต้องมีสีไม่ต้องมีกลิ่นน้ำธรรมดาธรรมดาอาหาราก็กินเป็นเวลาวันละครั้งสองครั้งก็พออันนั้นก็พอแล้วสำหรับร่างกาย ใจก็ต้องสู้กับความอยากมังไปอยากได้อะไรก็ต้องมองให้เห็นว่าสิ่งที่อยากได้มันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขได้แฟนมาใหม่ๆก็ดีก็อยู่กันไปเดี๋ยวก็ทะเลาะกันละเดี๋ยวแฟนก็ไปแอบมีแฟนใหม่เดี๋ยวแฟนจากไปแฟนตายไปแฟนย้ายไปอยู่ที่อื่นเพราะต้องไปทํางานที่อื่น อยู่คนเดียวดีกว่าไม่ต้องมีอะไรมีความสุขมากกว่ามีอะไรเพราะของทุกอย่างที่มีมันเป็นของไม่แน่นอนมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีวันดีก็มีความสุขวันที่ไม่ดีก็มีความทุกอยู่คนเดียวอยู่กับความสงบสู้กับความอยาก อย่าไปทำตามความอยากแล้วต่อไปความอยากมันจะหมดไปเองเช่นคนอยากสูบบุหรีทุกครั้งอยากจะสูบบุหรี่ก็อยากี่สูบไม่กี่ครั้งเดียวมันก็ความอยากสูบบุหร่ก็จะหายไปอยากไปเที่ยวก็อยากไปเที่ยวไม่ไปเที่ยวสักครั้งต่อไปมันก็ไม่อยากเที่ยวมันอยู่ที่เฉยไ้อยู่บ้านนะ้อยากดูละครก็อยากไปดู ยังไม่ทักพักเดี๋ยวไปมันก็เบื่อไม่ไม่ไม่อยากเดินต้องฝืนความอยากทุกอย่างนอกจากความอยากนั่งสมาธิมอยากนั่งสมาธินั่งไปเลยอยากไหว้พระ ส, สวดมนต์ไปเลยอยากอยู่บ้านไม่อยากออกไปนอกบ้านอยากไปอยู่วัด ประหยากเที่ยวแล้วพอไม่มีความอยากก็สบา ย, ยทีเสถียรแสงจะสบายมีความสุขสบายใจไม่มีอะไรก็ไม่ต้องมากัางวลมีอะไรก็กังวลเดี๋ยวมันจะหมดหมดเราจะหาหามาจากที่ไหนคนที่กินกาแฟนีพอกาแฟหมดก็ต้องหากาแฟมากิน ใ, ใ, ใหม่ คนที่สู่บุรีพ่อบุรีบอสก็ต้องไปหาบุรี ม, มาสู่คนที่เดินสุราพอส่ราบอสก็ต้องไปหาสุรามาดคนที่มีแฟนพอแฟนวันนี้ไม่อยู่ก็ต้องไปหาแฟนคนใหม่ต้องหาอยู่เรื่อยๆถ้าไม่มีความอยากในสิ่งเหล่านี้ก็สบายนี่ละคือ การทำให้ใจเราสบายต้องทาใจให้สงบแล้วสู้กับความอยากอย่าทําตามความอยากเวลาออกจากความสงบมาอยากจะดืมกาแฟก็ไม่ดื่มนี่ค่ะดื่มน้าต่อปาก็เหมือนกันเหมือนน้าตา่อปาแต่จะได้ไม่ต้องไปซื้อกาแฟซื้อน้ำตาลซื้อที่ต้มน้ำร้อน เรืง ม, มากดื่มน้าเปล่าก็ได้ผลเท่ากันเพราะร่างกายต้องการเพรียงแต่น้ำเปล่าไม่ต้องการกาแฟหรอกเจ้าบอกให้สั่วกับความอยากสามรูปแบบความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสก็อยา ก, ยากดูอยากฟังอยากดมกลิ่นดมกลิ่นก็อยากได้ดมน้ําหอมน้ําหอมคือควนหลายตั ว่าเอามาฉลมร่างกายกลิ่นหอมมีความสุขลิ้นรสก็นเนี่ยข น, นมนมเนยเครื่องดื่มชนิดต่างๆสัมผัสทางร่างกายก็ชอบของนุ่มของละเอียด อ, ยอ่อนของแข็งของของเจ็บนี่แมวไม่ชอบอ อย่าไปเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสปดกัะทะอย่าไปอยากแล้วก็อย่าไปอยากมีอยากเป็นให้พอใจกับทฐ า, านะของเราตอนนี้เราเป็นอะไรก็เป็นแค่นี้นก็พอแนละ้วอย่าไปอยากเป็นกำนันอย่าไปอยากเป็นผู้ใหญ่บ้านอย่าไปอยากเป็นอบตอนายกสสหรืออะไรอยากแล้วมันต้องดนะิ้นอ่ะมีชีวิตเฉยไม่เป็นสต แล้วเวลาได้มาก็ต้องรักษามันพอมันหมดวาร ะ, ะก็ต้องเลือกสั้งใหม่ก็ต้องหาเสียงใหม่แล้วก็ต้องไปทำทุจริตเ็ต้องซื้อเสียงอยากจะได้ก็ต้องซื้อเสียงก็ต้องใช้เงินเงินของตัวเองก็ไม่อยากจะใช้ชอบใช้เงินของคนอื่น เวลาอยู่ในตำแหน่งก็อนะไรเนี่ยทุจริตกันถ้าจะได้เอาเงินนี้มาซื้อเสียงขันหมในทถวนั้นถ้าไม่ได้อยากเป็นอะไรอยู่บ้านเฉยๆก็มีความสุขเลยหรืมาบวชท่าซะเลยก็สบายท่านี้ไม่ต้องทำอะไรกินกันนอนองเนียู พระุธเจ้าให้นอนให้มากินกันนอนอย่างเดียวนะไม่ให้ทํำอะไรนะให้มาทำเท่าที่จําเป็นนะทําว่ากวาดลานวัดกวาดกุฏิเทถึงกุฏิทำอะไรที่มันจําเป็นไนดะ้ไม่ให้มาไม่ได้ให้มาสร้างวัดให้ใหญ่โตวิจิตรพิสดารเป็นวัดพระแก้ววัดอะไรนะอยพุธเจ้าเองก็ไม่เคยสร้างวัดสักวัดเลยพระพุจ้าสอนให้คนรู้จักทำว่าอิ่มวัดพอเท่นี้ ถ้าหยุดความอยากแล้วมันก็เองมันก็พอแล้วมันก็จะสุกมันก็จะสบายใจถ้าอยากแล้วมันก็พออยากว่าใจมันก็สั่นนะอยากได้นู่นอยากได้นี่ต้องวิ่งเต้นนะพี่อยากโยกย้ายอยากได้ตําแหน่งนั้นอยากได้ตําแหน่งนี้นั้นอยากไปอยากได้ตําแหน่งต่างๆไปอยากมีอยากเป็น เป็นไปนตามมีตามเกิดเนียเขาจะให้เราเป็นอะไรก็ให้เขาตั้งเรามาเขไม่ตั้งเราไม่ทา ไ, ไปดินนะ้นเราถือว่าเราทำงานเพื่อเอาเงินเดือนมาเลี้ยงปากเลี้ยงค้องเทนี้นมนตำแหน่งหรืออะไรนะี่ปล่อยไปกามเดินตามกรรจะเลื่อนขั้นเลื่อนขั้นก็เรื่อนไปไม่เลื่อนเลยเไปเดือดร้อนเำไพออยากว่ามันเดือดร้อนนมันไม่สบายใจ หัดหัดทำใจให้พอใจกับสิ่งที่มีอยู่ยินดีกับสิ่งที่ได้แล้วเขาจะให้เราเป็นอะไรกั็รับใจเขาจะย้ายเราไปอยู่ตรงนั้นไปเร้เป็นลูกน้องก็สั่งอะไรก็ต้องไปถ้าเรารับไม่ได้เราก็ลาออกไปกลับไปอยู่บ้านถ้าเราไม่ใช้เงินเราก็ไม่ต้องทำงานมาก ถ้าเราไม่ต้องมีอะไรมากเราก็ไม่ต้องหางเหนื่อยกับการหาเงินหาทองมามาใช้จ่ายถ้าใช้มากก็ต้องหางานมากหางานมากก็ต้องวิ่งเต้นมากขอตำแหน่งนั่นตำแหน่งนี้เพื่อจะได้มีไรายได้มากขึ้นทั้งหมดนี้กลับมาที่การใช้จ่ายของเราที่เราใช้จ่ายก็เพราะว่าเรายังมีความอยากอยู่ยังอยากมี ความสุขในทางตาหูจะหมดมิกันอยากซื้อบ้านสวยๆราคาแพงๆอยากมีรถราคาแพงๆอยากมีเสื้อผ้าราคาแพงๆอยากกินอาหารราคาแพงๆถ้าอยากแบบนี้มันก็ต้องเดินหาเงินหาทองแล้วมันก็เหมือนกันกินข้าวมือละพันกับกินข้าวมือละร้อยมันก็อิ่เหมือนกัน เวลาถ่ายออกมามันก็เป็นอุจจระเหมือนกันมันไม่ยากว่านี่อุจระราคาละพันอยู่อุจจาระราคาละร้อยบ้านก็เหมือนกันอยู่บ้านราคาละสิบล้านกับเช่าบ้านเขาอยู่มนก็นอนหลับได้เหมือนกันหลบแดดหลบฝนได้เหมือนกันท่ายไปเขาไปไม่ได้เหมือนกันมีใครเอาบ้านไปได้มั้งเวลาตาย อย่าไปอยากไปเหนื่อยกับสิ่งเหล่านี้อยาากปอยากกับสิ่งนี้ถ้าจะอยากก็อยากกับความสงบอยากนั่งสมาธิอยากหยุดความอยากอันนี้ดีที่สุดหยุดความอยากได้ไม่มีความอยากแล้วหลุดทนพระเจ้าอดทอนจากความทุกข์ทั้งปวงผู้ที่สามารถหยุดความอยา ก, ากต่างๆได้ เนี่ยความอยากสามข้อสองข้อแล้วความอยากไม่อยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากมีอยากเป็นข้อที่สามก็อยากไม่มีอยากไม่เต็มอยากไม่เป็นแฉลบอยากไม่เป็นคนใช้อยากไม่ดุอยากไม่ยากจนอยากไม่คนเขาด่าเราว่าเราอยากไม่แก่อยากจะสาวไปตลอดหนุ่มไปตลอด อยากไม่เจ็บไข้ได้ล่วยอยากจะมีสุขภาพดีไปตลอดอยากไม่ตายมันเป็นไปได้ไหมฝ่เขอม่นะองเนี้ยพอปลยความแก่ขึ้นมาก็ทุกข์ละเพราะไม่อยากแก่พอเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกข์ละไม่สบายใจพอเจอความตายไม่มีทุกข์อย่างแล้วมันมีพ้นไหา แล้วไครตายเคยถามตัวเองใครเจ็บใครแก่คนที่กลัวหรือคนหรือคนที่ไม่กลัวร่างกายมันไม่เคยกลัวความแก่เลยไมปถามหนังในเวลามันหิวมันย่นมันเดือดร้อนไหมใครเป็นคนเดือดร้อนใครเป็นคนต้องไปดึงหนังให้มันตึงใครต้องไปทำศัญญกรรมต่าง ร่างกายมันไม่ค้าไม่เคยเดือดร้อนกับความแก่เลยผมมันจะงอกมันก็ไม่ได้ขอร้องให้ไปอไปไปโกรกไปย้อมเลยขาวก็ขาวนี่มันเป็นอะไรทั้งนั้นผู้ที่เดือดร้อนก็ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายเลยกับร่างกายใจเพราะความหลงไปคิดว่าตนึองเป็นร่างกาย ก็เลยเอาร่างกายมามาเป็นเป็นตัวตนของตนพอร่างกายเป็นอะไรก็เทียวว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นพอร่างกายหน้าตาไม่ดีก็เทียวว่าตัวเองหน้าตาไม่ดีใจนี่หน้าตาเหมือนกันทุกคนถ้าเรามีกระจกสองใจเราจะเห็นว่าใจของเรานี่หน้าตาเหมือนกันทุกคนถึงไม่มีหน้าตาไะ มันว่างเป็นมนุษย์ร่างขนไม่มีรูปร่างใจไม่มีรูปร่างมีแต่ความรู้สึกนึกคิดความรู้สึกนึกคิดนี้มามาจากใจไม่ใช่มาจากร่างกายเวลาคิดว่าหิวนี่ไม่ใช่ร่างกายคิดใจเป็นคนคิดแต่เวลากินนี่ร่างกายเป็นคนกินใจไม่ได้กิน สิ่งที่ใจต้องการคือความสงบความไม่มีความอยากถ้าทำให้ใจได้สองสิ่งนี้แล้วใจไม่ต้องการอะไรแล้วถ้าตัดความอยากได้นีสบายเป็นขอทานก็มีความสุขจิดดูพระพุทธเจ้าเคยเป็นพระราชโอรสไม่มีความสุขพอมาอยู่แบบขอทานแนละ้วมีความสุขมีปรลมังสุขขังบรมสุข พระพุทธเจ้าตั้งแต่เสด็จออกจากพระราชวังแล้วไม่เคยกลับไปอยู่เป็นพระราชาโอรสอีกเลยที่ดูจะอยู่แบบขอทานกับมีความสุขมากกว่าอยู่แบบพระราชามหากพระพวกเราควรจะยึดพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเป็นตัวแบบแบบฉบับพุทธังสารนังกระชามีนี่ก็คืออย่างนี้ให้อยู่แบบพระพุทธเจ้า อยู่แบบขอทาหน่อยู่แบบมักน้อยสัมโดา ย, ยินดีตามมีตามไหรือเอาน้อยน้อยเอาเท่าที่จําเป็นท้าวันละมือ้อลองหากินวันละมือ้อดไูไม่ตายหรอกรับรองแนะ่เราเนี่ยเป็นผู้รับรองเลยลองนะอกินวันละมื้อมาสนะี่สิบกว่ีแล้วไม่เหลื่อมน้อยร่างกายไม่ร่างการอาหารมาก ใจมันต้องการความอยากสังเกต ด, ดูเวลาสั่งอาหารสั่งมาเยอะแยะเลยพอกินเข้าไปจริงๆกินไม่หมดกินไม่หมดก็เลยต้องบังคับเสียดายกินเข้าไปกินเข้าไปร่างการมันก็เลยเนี่ยมันก็เลยคองออกมาแล้วกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอ กิน<ว>ตามความอยากแล้วความอยากมันไม่หายไปความอยากมันจะมีต่อมาเรื่อยๆเหมือนคนสูบบุหรี่พออยากจะสูบบุหรี่ก็สูบพอสูบแล้วเดี๋ยวก็หายอยากเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็อยากจะสูบใหม่ถ้าอยากจะให้หายไปตลอดก็อยากไปสูบเวลาอยากก็อยากไปสูบมันทุกครั้งที่มันอยากก็อยากไปสูบมันเดี๋ยวไม่ไม่นานมันก็มันก็เลิกสูบได้ มปนวิธีที่จะสู้กับความอยากต่างๆได้นี่ต้องทําใจให้สงบให้ได้ต้องมีสติคอยควบคุมใจไม่ให้คิดไปทางความอยากเ่นพุโทโธพุโทโธไปเวลาอยากอะไรก็ท่องพุโทโธไปเลยอย่าไปคิดถึงเรื่องที่อยากได้เดี๋ยวไม่นานมันก็หายไปความอยากแต่มันหายเดี๋ยวเดียว ถ้าหยุดพูดโทมเมื่อไหร่เนี่ยมันก็กลับมาใหม่นะถ้าอยากจะให้มันหายอย่างเท้าวนก็ต้องใช้ปัญญาสอนว่าออยากก็ทุกข์เหมือนกับเวลาเราเอาค้อนทุบศีรษะเราเนี่ยมันเจ็บอแต่เราถ้าเราไม่รู้เราก็ทุกข์เลย่ความอยากก็เหมือนกับค้อนทุบใจเราเแต่เราอยากขึ้นมาก็ใจก็ไม่สบาย ถ้าเราเห็นว่าเนี่ยความไม่สบายใจนะของเราเกิดจากความอย่างแต่ก็ต้องไม่ทำตามความอยากไม่ทำตามความอย่างต่อไปความอย่างมันก็หมดนิดใครอยากจะถามอะไยไหอถามได้นะ เรื่องจารย์ครับเรืคอีเครื่องอยู่คนนี้ครับเขาทาบุญมากคือเกียกับเรื่องทรัพย์เขาจะทาบุญเยอะมากแต่ในส่วนตัวของเขาเขาจะติดติดแตบุญกันชาถผมเคยเรยนเขากของไม่ดีเขาก็จะเสียงว่าของเขาม่นดีาไม่รู้อะไรผมคอยากทาว่ากรรมตรงนี้มันคืออะไรครถ้าถ้าถ้าจะรับกรรมก็เขาติดอบายมุกเนี่ย เขาหาความสุขจากการเสพอบายามุขแต่การที่เขาไปทําบุญไปเมะมันสักรากันได้นหมครับมั น, เ ป, นเป็นคนละเรื่องกันคนละเรื่องอคือทำบุญก็เรื่องหนึ่งเสพอบายามุขก็เรื่องนึงเหมือนเป็นคนละวาระเป็นคนละบัญชีกันทําบุญก็ก็ดี แต่ก็อยู่ที่ว่าทําด้วยเหตุผลอันใดถ้าทําบุญด้วยความโลภ ก, ก็ไม่ดีหมายความว่าถ้าทําบุญเพราะอยากได้อยา่างเพราะเชื่อว่าทําบุญแล้วจะทําให้ได้สิ่งนั้นได้สิ่งนี้กลับมาอย่าง น, นี้ก็ไม่ดีแต่ถ้าทําบุญเพราะว่าทําแล้วทำให้เรามีความสุขใจหยุดความอยากที่จะเอาเงินไปซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้ การเสพกัญชามันก็เป็นความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสแบบหนึ่งเหมือนการการเสพสุรายามวแต่ว่าเขามีความสุขแบบนั้นแต่เวลาในที่เขาเสพไม่ได้เวลานั้นเขาก็จะทุกข์ทางไปร่างกายของเขาก็จะเสพไม่ไหวเพราะมันก็เหมือนกับการสูบูุเรี่สูบไปเรื่อยๆนานๆต่อไปปอดมันก็จะร่องพัง ถ้าเวลานั้นเขาก็จะไม่มีอะไรให้ความสุขกับเขาเขาก็จะมีแต่ความทุกข์แเขามาเลอกกัญชาแล้วมานั่งสมาธินี่จะดีกว่าการนั่งสมาธินี้สามารถทำได้ในทุกสภาพของร่างกายร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยังทำสมาธิได้ แล้วก็ไม่ต้องเสียเงินเสียทองไม่เสียสุขภาพการหาความสุขแบบอื่นนี่จะต้องเสียเงินเสียทองเสียสุขภาพร่างกายเดินโซลาร์่็เสียเงินเสียสุขภาพยุบสุบบุหรี่ก็เสียเงินเสียสุขภาพเที่ยวกั็เสียสุขภาพปวดหลับขับตานอนเสียเงินเสียทอง แล้วพอเงินทองไม่พอใช้ก็ต้องไปทำบาปไปขโมยไปรักรับไปช่อกงก็จะมีความทุกข์มากกว่าความสุขความสุขมีเชื่อขนาดที่ได้เศษแล้ววิธีเดินเขาได้ยัง ไ, ไ, ไงคะ อ๋อไม่ใช่หน้าที่ของเราเมาอยไปเตือนเ้าเลยเขาอยู่ด้วยกอเขาบอกเขาตรงตรงเล ย, ยเขาไม่เชื่ออย่าไปทำเลเลตเตือนไปแล้ว<ำ>แล้วก็ไม่ฟังเขา<ำ>ว่าผลก็เขาดีกว่าเข<ำ>าดีกว่าก็ปล่อยเขาไปถ้ามันคนติดยาเสพติบเขาก็ว่าเขามีความสุขได้หลอกโดย คนที่เสพวบบายามุกนี่ก็เขาโอเคเพราะเขามีความสุขแต่เขาไม่คิดถึงเวลาที่เขาไม่สามารถที่จะเสพได้หรือเวลาที่เงินทองขาดมือไปเขาจะหาเงินทองแบบไหนถ้าหาโดยวิธีที่ไม่ทำบาปไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องไปทำบาป ทำบากก็จะมีความมีโทษตามมนาะทั้งทางกฎหมายและทางจิตใจมันเป็นเรื่องของตัวใครตัวมันนอกจากว่าถ้าเรามีหน้าที่ต้องบอกเขาเราก็ต้องบอกเขาเ็นนั้นก็เป็นลูกเราเนืเป็นคนที่เราต้องให้คำปรึกษาแล้วก็ให้คำปรึกษาเขาไป ส่วนราจะทำได้ไม่ได้มันก็เป็นเรื่องของเขาเราทำหน้าที่ของเราแล้วเราก็จบเหมือนคนมาถามทางว่าไปทางไหนเราก็บอกทางว่าน่ก็จะไปตามที่เราบอกหรือไม่เราก็ฟังเขาเขาไม่ได้เขาอาจจะไม่เชื่อเราก็ได้เราไปเดือดร้อน ก, ก็เกิดจากความอยากของเราอยากจะให้เขาเชื่อเรา แล้วก็ต้องใา่ความอยากมันนี้ไปเราสร้างความทุกข์ให้กับเราเองโดยใช่เหตุอยากจะให้เขาทําตามที่เราบอกอยากจะให้เขาได้ดีอยากจะให้เขามีความสุขเรากลับกลับไปทุกข์แทนเขา เขาต้องเขาต้องเห็นความจริงจากประสบปปการณ์ของเขาเองเหมือนเด็กเราบอกอย่าไปเล่นกับไฟเขาไม่เชื่อเราต้องให้เขาไปเล่นก่อ น, ลนแล้วเดี๋ยวเขาก็เข็ดเองมันต้องมันต้องสัมผัสกับความจริงเหมือนถึงจะเชื่อบอกมันไม่เชื่อหรอกปิดปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็น อย่าไปกังวลกับเรื่องของคนอื่นมากเกินไปคนกังวลกับเรื่องของเรามากกว่ามันดูว่าเราทุกข์หรือเราไม่ทุกข์ถ้าทุกข์ก็หาสาเหตุว่าเราทุกข์เพราะอะไรมันก็จะเจอความอยากนั่นแหละอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่แล้วอยากให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็ทุกข์เสมอแล้วเราเปลี่ยนมัน เราเปลี่ยนมันได้แล้วเป่าเราสั่งมันได้หรือสั่งให้มันเป็นไปตามความอยากก็ได้บางอย่างก็เป็นได้แต่บางบางบางอย่างก็เป็นแล้วก็ต่อไปเขาก็ไม่ทําตามความที่เราสั่งก็ได้ในเวลาที่เได้ที่เราทุกข์ก็หยุดความอยากเพ้่อน่าก็จะหายทุกข์ ปัญหาโลกแตกของพวกเราทุกคนก็คือที่ความอยากนี่โลกที่เป็นสงค์ขังกันขึ้นมาก็เพราะความอยากถ้าทุกคนไม่มีความอยากก็จะไม่มีสงครขัเพราะทุกคนสามารถอยู่ตามตามสภาพได้อยู่ไม่ได้ก็ตายยังไงก็ต้องตายอยู่ดีมีสงค์ขังก็ต้องตายไม่มีสงค์ขังก็ต้องตายสู้อยู่แบบไม่มีสงคารามไม่ดีกว่า อาจารย์สบายโชคดีบอกมาที่นีกันเถอะเข้าคนก็ไปสวนนงมุาก็ชอบอะไรอย่างชอบคนแบบตัวไขรตัวมันชอบอาหารไทยก็ไปร้านอาหารไทยชอบอาหารจีนก็ไปร้านอาหารจีนเราชอบธรรมะแล้วก็มาหาพักเราชอบดูดอกชอบดูดอกไม้ก็ไปสวนนงนุต มีทามาดูทิวฤอ่าทิวฤกษที่ระยองเราเปลี่ยนมาดูดีาจารย์สาขากรบ่เพราะคุณนัาจังจะคักท่านท่านสอนคุณแม่อ่ะแล้วคุณแม่ก็สงบไปโดยสงบ จำคำที่พระอาจารย์บอ ก, บอกไปสอนก่ อ, อนจะไปแล้วคุณ แ, แ, แม่ท่านก็สงบนิ่งแล้วก็ไม่เจ็บไม่อะไรเลยทำหน้าเฉยๆนะคะท า, าใจสงบแล้วทุกอย่าง ก, ก็จะจะดีไป ค, ความเจ็บส่วนใหญ่อยู่ที่ใจอยู่ที่ใจที่มันดิ้นมันอยากเวลาจะตายมันจะไม่อยากตายมันกลัวตายมันดิ้นมันก็จะทรมาน เราบอกว่าให้ยอมรับความจริงว่าร่างกายมันจะตายก็ปล่อยมันไปเราไม่ได้เป็นร่างกายเราไม่ต้องไปอะไรกับมันรู้เฉยๆมีความอยากได้แล้วก็ใจก็จะสงบห่หวงแล้วก็สบายความเจ็บทางร่างกายนิดเดียวความตายก็เหมือนกันนอนหลับไปนี่นอนหลับ เป็นการเปลี่ยนร่างกายพอตื่นขึ้นมาคือก็ได้รั่งหมาดีกว่าเกับน่าจะดีใจนะอาจารย์จริงๆแล้วควรจะดีใจใช่ไหมก็เวลาเกิดขึ้นมานี่ก็เปลี่ยนนั่งใหม่เติมขึ้นมาแล้วแป๊บเดียวนะอาจารย์เดี๋ยวจริงๆไม่ได้ไปเสียดายเลยให้เราเปลี่ยนมากี่ร่างแล้วเป็นล้านร่างจำไม่ได้จำไม่ได้ถ้าเบื่อก็อย่ามาเปลี่ยนเลยเปลี่ยนทีเปลี่ยนทีร่างก็ต้องคอยเปลี่ยนไปเรื่อย เปลี่ยนไม่หยุดไม่หยออ่อนใช่ครับต้องหยุดความอยากแล้วก็จะไม่เปลี่ยนน้างเพราะความอยากมันบังคับให้เราต้องไปมีร่างกายเราอยากดูอยากฟังก็ต้องมีตา ม, มีหูปัญหาพาไป อ, าอยากจะไปเป็นอะไรก็ไปถ้าไม่มีความอยากแล้วก็ไม่ต้องมีงอยู่ในโลกทิพย์ไม่ต้องมายุ่งกับเรื่องของร่างกออยาย เขาเจ้าเจ้าตรงนี้ก็ยังอยู่เพราะหลานก็ยังอยู่อยู่ในโลกเทพโลกเทพก็เป็นเหมือนคอนโดมีชั้นเหมือนโยมชั้นสองใช่ถ้าชั้นเป็นเฮ้าก็ได้ถ้าไม่ผ่านชั้นเป็นเฮ้าถ้าชั้นเทวดาก็ลงมาหน่อยชั้นพรมก็ลงมาน่อยชั้นมนุษย์ก็ลงมาตอนนี้ก็เริ่มต้องมาหนูร่างกายถ้าเป็นเทพเป็นพรหม เป็นพระอริยะเป็นเป็นนิพพานนี่ก็ไม่ต้องมีอาจารย์เจ้าคขาเทวดาเนี่ยที่คือเขาอยากจะเขาแบบเขา <c oughs> เขาอยากจะอิ่มทิพย์เขาก็อิ่มแล้วมันก็ไม่ตายสักทีโยมเพราก็เบื่อมันกันนะ มันไม่มีอะไรจะทำไม่เบื่อไปเที่ยวเบื่อไหมลองไม่เที่ยวกไปทํางานบางอย่างเรืองขนนั้นก็ยังคิดอยู่มันจะเบื่อไหมเนี่ยไปเป็นเดวดาก็ไปเที่ยวเพราอยากจะอิ่มมันก็อิ่มอยากอะไรมันก็ได้มันก็น่าจะเส็งๆนะพ่อจ๋าไม่หรอกคนไปคิดมืนเดิยอมเราไม่จะกล้าไปเป็นไม่อยากมันน่าจะเบื่อแค่ไหนนะครับเหมันเหมือนอิ่มบุญนิดหนอยนะรับ ถ้าเป็นเทวดานี่จะอิ่มคือไม่ต้องไม่ต้องทานอาหารเพราะว่าทานอาหารทิพย์มีอาหารทิพย์อยู่เราเองไม่ต้องมีร่างกายก็เวลานอนเรานอนฝันดีเนี่ยนั่นแหละกำลังกำลังเป็นเทวดากำลังฝันถ้าฝันดีใช่ไหมคะเนี่ยแต่ว่ามันสั้นเพราะว่าร่างกายเดี๋ยวมันจะเรียกให้กลับมาเพราะว่าร่างกายมันหิวมันหิวมันต้องมันเมื่อยแล้วนอนนานๆแล้วลุกขึ้นมามาขับมาถ่ายมาหาอะไรกิน ก็เลยต้องลงจากสวรรค์กลับมาสูโลกมนุษยเวลาเราฝันดีเนี่ยเหมือนกันเราได้ขึ้นสวรรค์ชั่วคราวและเวลาเราฝันร้ายก็เหมือนเราได้ไปตกดิชั่วคราวถูกต้องมันเป็นหนังตัวอย่างมันจะบอกเราว่าต่อไปเวลาร่างกายนี้ตายไปแล้วเราจะไปทําไหนมันเป็นเหมือนนิมิตใช่ไหมเจ้าคะท่านก็น่นหละมันเป็นเป็นผลของบุญที่เราทําผลของบาปที่เราทำแล้วมันก็มาแสดงตัวอย่างให้เราดู ถ้าเราทำบุญมากมันก็จะแสดงแต่มันก็จะฝันดีไปเรื่อยๆจะแสดงว่าโอนนี่ต่อไปเราตายไปนี่เราต้องฝันดีเป็นสวรรค์ไปจนุษย์ก็จะได้ร่างกายใหม่จะโยมไม่ค่อยฝันเลยเดี๋ยวไม่ค่อยฝัออนอาจจะฝันเพีงจะจําไม่ได้จ๊ะค <c oughs> ว า, วามเสื่อมอาจารย์พูดไม่รู้แปลว่าโยมความเสื่อมไม่หรอก <c oughs> บางทีมันออกมาแป๊บเดียวเดียวมันก็ลืมไปแล้ว มันฝันแต่มันเราจําไม่ได้เพราะตื่นขึ้นมามันเดิมแบบนแสดว่าสัญญามันแย่มากก็จะว่าอย่างนั้นก็ได้เรื่องบางทีมันมันมันแบบว่ามันไม่มันไม่แรงอฝันที่เราฝันมันไม่แรงแต่ฝันบางเรื่องนี้มันแรงตื่นขึ้นมามันยังจําได้ฝันไม่ตื่นเต็อมันแล้วแต่ฝันว่ามันมีน้ําหนักบ้างน้ําหนักน้อยถ้ามันน้ําหนักน้อยมันก็มันจางหายไปเลยพอตื่นขึ้นมาปัพอมอง พอลืมตาขึ้นมามันก็หายไปเลยแต่ถ้ามันมีน้ำหนักมากเนี่มันที่ลืมตาขึ้นมันยังจำได้สมัยติดเด็กฝันดีแล้วพอเข้าน้ำมาฝันต่อมันก็สอนนะพระอาจารย์สอได้เหรอสอจริงๆก็สอนสบายมากเลยฝันดีเกีจ้าสำนล็อคสอนดิค่ะความฝันมันก็มาจากใจเราเนี่ยเวลาเราทำบุญที่ก็เหมือนเราไปถ่ายวีดีโอไว้ไงเวลาเราทำอะไรเนี่ยใจเราจะถ่ายวีดีโอไว้ แล้เวลาเรานอนหลับมันก็จะมาฉายมายู่อ้ีเพลย์ถ้าเราไปทําบาปเม่เวลานอนหลับมันก็จะฝันเรื่องบาปที่เราทําไว้วลาเราทําบุญมันก็จะฝันเรื่องที่เราทำไว้ถ้าอาจารย์จะขางั้นเวลาก่อนตายเนี่ยจะเห็นภาพเหมือนนิมิตเกิดขึ้นมาเพราะว่าบุญที่ทำไว้ก็จะเหมือนฝันดีบางคนตายในตายด้วยความความหวาดกลัวก็มี พอทั้งชีวิตนี้ทําแต่บาปทําแต่อะไรไว้พอใจกล้าจะตายนี่สติไม่มีกําลังที่จะควบคุมความคิดได้ความคิดมันก็จะจับจมันก็จะเอาไอ<ห>้สิ่งที่มันเคยไปอัดไว้เนี่ยมันออกมาใช้ให้เราดูแล้วเวลาตายไปก็จะไปแบบนั้นไปอบายไปนรกไปถ้านไปแบบฝันดีมันก็จะไปสวรรค์นะพอตื่นอีกทีก็ได้ร่างกายใหม่ แล้วก็ลืมไปหมดลมแล้ลมหมดเราเป็นมนุษย์เคยเป็นอะไรมาก็เลยหมดนอกจากว่าถ้ามีพลังจิตแล้วมีความจําดีเวลานั่งสมาธินี้สามารถย้อนระลึกชาติได้น ช, ชาติก่อนเป็นอะไรพระพุทธเจ้าเนี่ยสิบชาติพระเจ้าสิบชาติเนี่ยท่านจำได้<ม>เคยเป็นพระเวทสันดอนเคยเป็นพระเตมีเคยเป็นพระมหาชนกเพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะ เนี่ยมาจากความจำของพระเจ้ า, อ า, าเองนามเล็กชาติเขาเจ้าจเป็นคนเล่าเองตวนังจิตของพระเจ้านี่มีมากพระเจ้านี่ท่านศึกเรื่องจิตมานานท่านอยากจะทราบอะไรท่านก็รู้ได้หมดใช่ท่านบอกความรู้ของท่านเนี่ยเหมือนกับเหมือน ก, กั บ, บใบไม้ในป่าความรู้ที่ท่านนา ม, มาสอนพวกเราเรื่นี้เหมือนใบไม้ในกเมือท่านถามพระว่าความรู้อย่างไหนจะมากกว่ากัน ความรู้ที่อยู่ในกรร ม, มือของตถาคตกับภาพกับใบไม้ที่อยู่ในป่า น, นี่ยอันไหนจะมากกว่ากันพระเจ้าก็บอกเนี่ยฉันใดความรู้ที่ตถาคตนำมาสั่งสอนพวกเราเนี่ยก็เหมือนเห ม, มือนใบไม้ในกรรมมือเท่เที่ยวเดียวของความรู้ที่พระเจ้าทรงรี้ความรู้ที่ทรงรู้เมันเหมือนใบไม้ในป่าแต่ไม่ที่ยงเอามาสอนก็พราะว่ามันไม่จําเป็นสําหรับพวกเราให้เดือดหลุดพ้นอ่า สอนให้พวกเราลืมตาก็พอพอลืมตาแล้วก็จะเห็นเอง<ม>อันนี้ตาพวกเราบอดถูกกับวิชาโมหะครอบงามอยู่เหมือนกับอคนตาดีแต่เขาเอาผ้ามาติดต า, าไว้ท่านนี้ใจเบ้นสีพ <c oughs> อให้เราถอดผ้าออกก็ะจะเห็นเห็นอย่างเดียวกับที่พระพุทธเจ้าสห็นตาเห็นโลกทิพย์เนี่ยเห็นคอนโดที่มีแบ่งเป็นหลายๆายชั้นจิต <c oughs> แต่ละดวงเนี่ย แล้วขั้นสูงต่ำก็อยู่ที่บุญกรรมที่ตนเองทําไว้จิตไม่ได้อยู่ในร่างกายจิตอยู่อีกโลกหนึงอยู่ในมิตินี่ร่างกายนี้อยู่นมิตินี้เ ร, เรียกเรียกกเรียกว่าโลกธาตุร่างกายเนี่ยทําจากธาตุสี่น้ำน้ําลมไฟแต่จิตเนี่ยอยู่อีกโลกหนึ่งแล้วจิตส่งกระแสะมารับข้อมูลจากร่างกายทีวเวลาตาเห็นอะไรจิตก็มารับข้อมูลจากตาไป แล้วจิตก็เป็นผู่ที่วิเคราะห์ภาพที่เห็นด้วยตาว่าเป็นภาพใคร<ะ>เป็นนายกรนายขอเป็นหญิงเป็นชายตามข้อมูลที่ตนเองได้มีสะสมไว้<ะ>ความจำ<ะ>เห็นภาพปั๊บรู้เลยว่าคนนี้รู้จักหรือไม่รู้จักมันจะมีความจำอยู่ถ้าไม่มีความถ้าคนนี้ไม่มีอยู่ในความจำก็แสดงว่าไม่รู้จักใช่ไห<ะ>แต่ถ้ามันมีอยู่ในความจาก็แล้วอ๋อ เป็นเพื่อนกันเป็นอะไรกันไป เ, เรียนหนังสือมาด้วยกันน<ะ>ีใจเป็นผู้ผู้ผู้รับรู้แล้วก็เป็นผู้เอผู้เอเรียกจัดการกับความข้อมูลที่เข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางนิ้นทางกายแล้วก็เกิดความสุขความทุกข์กับข้อมูลที่ได้รับเห็นรูปที่ชอบก็<อ>ดีใจ<ะ>มีความสุขเห<ะ>็นะ<ะ>รูปที่ไม่ชอบก็ ไม่อยากจะเจ อ, ไ ม, อ ไ, มไม่สบายใจแล้วพอไม่สบายใจก็เกิดความคิดสูงแตงว่าจะต้องจัดการกับลูกที่ไม่ชอบอย่างไรดีออกทางปากะละเดินเด <c oughs> ินห น, น, นีหรืออะไรก็ว่าไป <c oughs> ถ้าเจอคลูกที่ชอบก็กอดความืิดปูุงแต่งจะทาไงให้มันอยู่กับเราไป็นนาน ก็ชวนเขาอยู่อย่ามุ่งไปย่มงไปเพื่อนมาหาก็อย่างไปถ้าเจ้าหนี้มาก็บอกให้ใหยกูใจใจไม่ได้อยู่ในร่างกายเพียงแต่ใจใช้ร่างกายนี้เป็นเก็เหมือนเนี่ยเหมือนกล้องถ่ายรูปเหมือนกับไมโครโฟนที่รับเสียงแล้วก็เอาเอาข้อมูลที่เหล่านี่ได้รับมามามา มารวิเคราะอ่ามารวิเคาว่าดีหรือไม่ดีถ้าดีก็เกิดสุขขึ้นมาถ้าไม่ดีก็เกิดทุกข์ขึ้นมาแล้วมันเร็วไงธรรมจานทร์มันมันเดียวมันออกมาเลยชอบไม่ชอบก็ดูเครื่องคำมันทำอใไรมั้ยอันนี้มันยาวกว่าเครื่องคำอีกใช่ค่ะเครื่องคำมันคำนวณนี่เอาเอาเอาเลขสิบหลักมาให้มันคูดกันเนี่ยมันแป๊บเดียวมันก็เสร็จแล้วแต่ใจเรามันเร็วกว่านั่นนี่ใช่ค่ะ พอเหนปุ๊เนี่มันเนยมันมีปฏิกิริยาทั้นแล้วรึปุ๊บเดยวถึงนิวยอร์กแล้วแล้วมีวิธีในการทำให้มันไม่เร็วก็จะนั่คุมอารมณ์ได้นั่งสมาธิไงนั่งสมาธิพุทโธพุทโธไปหยุดความคิดแล้วต่อไปแล้วก็จะคุมมันได้ที่มาปฏิบัติก็เพื่อมาควบคุมไอ้ตัวนี้แหละตัวนี้มันชอบไปนอกลู่นอกทางชอบไปคิดในทางที่ทําให้เราวุ่นวายใจ เราจะมาสอนมันให้มาคิดในทางที่ทําให้เราสบายใจเท่านั้นเองให้จะคิดไปตามความจริงตอนนี้เราไปคิดไปในทางความหลงมันก็เลยวุ่นวายใจเราไปหลงคิดว่านั่นเป็นนี่เป็นเป็นเราเป็นของเราเราก็เลยเกิดความอยากให้มันอยู่กับเราไปนานๆแต่มันไม่มีอะไรจะอยู่กับเราไปนานๆเพราะมันไม่ใช่เป็นของเรา มันต้องจากเราไปทุกวันถ้าเรามาคิดตามความจริงว่าเออมันไม่ใช่ของเรานะมันต้องจากเราไปเราก็ปล่อยมันจะไปไก็ไป เ, ออเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะสบายใจเห็นหมเห็นแม่ไหมแม่ก็ไปแล้วไงอยากให้ก็อยู่นานๆใช่ไหมคื อ, อแม่ทรมาร์ตเราอยู่ได้งั้นก็อยู่ไม่ได้เลยเวลาอยากก็ไม่สบายใจ ถ้าปล่อยเข้ามาถึงเวลาไปเลยไปเลยทั้งใช้ทั้งมาเลยเปลี่ยนร่างกายใหม่ดีกว่าใช่ไหมคุณแม่เข้าใจอะไรนะเขาบอกคุณแม่นิ่งเงียบแล้วก็แล้วก็เหมือนทําหลับมากันหลับไปเลยอยู่กับไร่างกายที่จะเป็นสร้างศพใช่ไหมไปหาร่างกายใหม่ๆ่ถ้าเป็นรถกับรถเก่า ต้องคอยซ่อมอยู่ตลอเวลาไปไปชว์ดูนไปซื้อรุ่นใหม่มา้วรอเราอยู่แล้วแต่ว่าจะเป็นรุ่นอะไรพระจานทร์มันอาจเป็นโตโยต้าก็ได้ต้องเอาท่องกันไว้แบบท่านวิเศษนั่งบีเอ็มเรานั่งโตโยต้ามาเรามาเรามาก่อนแล้วถึงที่หลังเงีนยพระจานร์ มีแหละวตังสมกันไว้แล้วก็ได้บุญนะบุญบารมีใช่ไหอย่างง่ายสิมเพิลง่ายๆเลยใครบุญมากก็ได้ของดีใครบุญน้อยก็ได้ของไม่ค่อยดีซื้อสมรวยไปไหนทำไม่น้อยมาต้ยชาแ้วน้อยยังไงก็จะมีคนหนึ่งนิดได้ไง เราคุณลุมเลี่ยมีคำถามเยอะเลยถามถามถามๆไปหมดแล้ว่ะถามเลยคือที่ผมถามนะฮะท่านถามมานั่งในรถว่าเวลาเราทาบุญทำทานหรือปฏิบัติธรรมเนี่ยนะครับเมื <these answers. S 1> ่อเราที่เราอยากจะอุทิศกุศลพลบุญให้ใครอะไรอย่างนี้นะะถ้าบังเอิญเราไปอุทิศให้คนซึ่งเป็นคนไม่ดีนะฮะคนงานเราก็เขาจะได้รับนะฮะที่ไปนี้ บุนนี้อุชิตนี่เราเจาะจงได้เหมือนกับเขียนเช็คนะนดถึงใช่เไหมคนที่เราไม่เจาะจงเขาจะรับไม่ได้เราเจาะจงนะแต่เราเป็นคนที่ดีเป็นคนไม่ดีอแต่เราไม่ดีแต่เรายังเรายังอยากให้ส่งเขาได้เขาก็ได้เขาก็ได้ถ้าก็รอรับอยู่ด้วยมันต้องมีขึ้นอยู่กับเขาด้วยทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตสามารถรับได้หรือไม่ได้สิ่งที่มีชีวิตรับไม่ได้มีชีวิตรับไม่ได้อสิ่งที่มีชีวิตนี้เขาหาเ้าทําเองได้ เขาทําบุญเองเขาจะรับไม่ได้ใช่ไหมคือมันน้อยมากบุญที่เราอุทิศเนี่ยมันน้อยมากถ้าก็อยากจะได้บุญถ้าก็มีชีวิตอยู่เขาทําเองดีกว่าเขาจะได้มากกว่าบุญในที่นี้เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของบุญที่เราทํานั่นเองถ้าเป็นอถ้าเป็นเงินก็นเงินที่เราให้ขอทานเราผู้ที่มาลองรับนี่ก็เป็นขอทานทางจิตวิญญาณให้เขาพอประทังชีวิตพอให้เขาจะได้ไม่ชิวโหยมากจนเกินไปเท่านั้นเองอ ก็ยนดีครัก็ถึงก็ถึงได้แต่เป็นเหมือนกับการให้ขอทานเขาต้องเป็นขอทานผู้ที่มารอรับส่วนบุญนี่เขาเขาอยู่ในสถานะข้าวของขอทานทางจิตวิญญาณขอทานในโลกทิพย์ถ้าก็ทําบุญมากเขาก็เป็นเศรษฐีในโลกทิพย์เป็นเทวดานี่เป็นพวกเศรษฐีแล้วเทวดาก็ไปเที่ยวอยู่โรงแรมห้าดาวไปกินอาห้าดาวผู้ใจก็มีแต่เปรดนะฮะที่มาขอใช่ไหม เป็นพวกเดียวที่รอรับเพราอีกพวกที่ไปอยู่นรกก็เป็นพวกที่ติดคุกรับไม่ได้คนนั้นโกะผู้หลับตามีเปรตใช่ไหมอาจารย์ที่รับได้ใช่มันหิวโหยแล้วก็ต้องมาหาเราด้วยมาขอเราด้วยคือส่วนใหญ่เราทําเป็นไปก็เราเชื่อแบบแบบรวมๆว่าผู้ที่ตายเวลาจะรอรับส่บุญควจริงเราไม่รู้จักสถานภาพของผู้ที่ตายแต่ละคนว่าจะไปเป็นอะไรแล้ว คู่ที่เป็นขอทานก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมารอรับจากเราก็ได้เขาอาจจะไม่ชอบหน้าเราเขาไปขอคนอื่น <c oughs> เราจะรู้ก็ต่อเมื่อเขามาเข้ามาเข้ามาในฝั น, นเขาต้องมามีนิมิตอะไรให้เรารู้สักอย่างว่าเขามาขอ <S <S มันเสดมหาพระเจ้าพิมพิสารนั่นะเป็นยากกันมันถึงจะมันถึงจะแ น, น่จริงถ้าคุณฝันหนึ่งคนที่ตายไปแล้วเขาบอกว่าโอ้บากแล้วเคนินช่เหลือหน่อยสิอ่ะไรเงี้ยแสดงว่าเขามาขอความช่วยเหลือแล้วนะเท้าเราก็ไปใส่บาตแล้วก็ขวดน้ําไปให้เขา แสดงว่าถ้าหมูที่สิ้นชีวิตไปแล้วไปเป็นเทวดาเราอุทิศ ส, ส่วนกุศลไปให้ท่านก็ไม่หลับเพราะว่าท่านเป็นเทวดาคือท่านพร้อมแล้วไม่ต้องหลับ <c oughs> ไม่รับยาเอามันไม่ได้ย้ายขอทานใส่เศษผีเขาไปรับมาไ ม, ไม่ไม่ไม่มีผลอะไรกับเขาเขาไมเขม่้าย ความจริงมีมีมีมีมิติหนึ่งที่เราผู้หลาดจะไม่คิดกันก็คือว่าการทําบุญเนี่ยความจริงเราต้องการจะมาดับเปรดที่มีในใจเราอ๋อละความสนิยงเราใช่ไหมอาจารย์ความโลกของเราเนี่ยใช่จริงจริงเวบางที่เรานอนหลับฝันเราฝันอย่างได้นู่นอย่างได้นี่เพราะว่าใจเราไม่มีไม่เคยไม่เคยได้ทาบุญเลยะมันก็เลยหิวแ้่ถ้าเราถ้าเราฝัน ผิวอยากได้นู่นอยากน้านี่เราต้องไปทำบุญให้กับตัวเราเองให้เปรต เ, า เ, าเรตเา <c oughs> เรตมตัวเราเนี่ยละความโลภมันน้อยลงไป เ, เพราะว่าท่านบอกว่าคนที่ทำบาปด้วยความโลภเนี่ยตายไ ป, ไปเป็นเปรตต้องทำบาปด้วยและทำด้วยความโลภคืออยากได้มากๆ คือความจริงตอนนี้ก็พอมีพอกินแล้วแต่ไม่พออย่างได้ตัวเองระวังกันนะคนปกติแต่ถ้าทำาำความโลภด้วยความถูกต้องไม่เป็นไรไม่เสียหายไม่ไม่ไปเป็นเปรดเวรายังอยากเป็นนัํานวยก่อนนี้เราก็ทําหากินด้วยความชื่อสั์สุดเกลิตได้มาอย่างนี้ก็ไม่ไม่เป็นไม่เป็นเปรตแต่ยังอยากอีกแต่มันก็จะทําให้เราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดฐาเงินทองอยู่เรื่อย พรมันเป็นความสุขของเราหางที่ได้เงินได้ทองมาเยอะๆเรามีความสุขมันได้จะติดนีสสหลงใช่มพระอาจารย์มันก็อยากพอตายไปกลับมาชาติหน้าก็จะกลับมาเป็นเศรษฐีใหม่เป็นเศรษฐีใหม่เป็นให้เข็ศเลยอ่ามันได้แล้วหลายเวลาตายไปก็ตทำทีไปเพิ่งฟังอาจารย์มาในรถบอกเราต้อง บริจาคให้หมดเหมือนถอนสมองไม่ถอนสมองทิ้งไปมันก็สมองกระจมเนี่ยออกไม่ได้ติดลูกสมอง ต, ติดเงินต่ไ ป, ไปนิพพานก็ต้องถอนสม อ, องต้องบริจาคให้หมดพราต้องสลักทรัพย์ทั้งหมดก็อยู่แบบขอ้อทานแต่จะได้สิ่งที่สมหาเศรษฐีไม่ได้คือความสุขใจมหาเศรษฐีจะได้ความสุขกายแต่ความสุขใจ น, นี้ถ้าจะไม่มี ใจนี่กังวลกับเรื่องเงินเรื่องทองอยู่ตลอดเลยนะต้องคอยหาต้องคอยรักษาเป็นเงินที่มาทำอีกเจอใต้ใจแบบนี้คนใหญ่เปรตเนี่ยเปรตเนี่ยน่าเชเ่อเสถีไปเกิดเยอะนะพ่อจันเนาะเพราะคจนเขาไม่โลภเท่าไหร่เสขีเนี่ยโลภเยอะนะแลเป็นเปรตกันเยอะโยมว่ายกเว้นเสถียที่ชอบทำบุญก็พอช่วยจัยังโยมเนี่ยมันน่าจะโอเคนะชอทบุญโซฟาโซกุล แล้วเราไม่ทำบาปทำบุญนี้ไม่ไม่ปเป็นไปเดี๋ยวก็ไม่อยากมาเกิดแล้วจะถอนสมองพะอาจารย์ตอนนี้ก็ต้องไปบวชเลยไปแล้วปีก็สามเดือนกว่าทุกปีเนาะพระอาจารย์สมองก็ต้องไปบวชไปบวชเลยยุงประจำยังทานอฮะอายุขนาดนี้ยังทานอยูวคนอายุแปดสิบก็ยังได้ยังทาอยู่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยบรรลุเจ็ดวันก่อนตาย ใช่ท่านสุโธธนรมะเพราะงั้นเราเวลา <c oughs> ต, ต, ต้องมีข <c oughs> ้อจะต้องจะ <c oughs> ต, ต, ต, ต้องมีโค้ดเหมืนอนพระพุทเจา้าร <c oughs> <c oughs> อหนุดรอยกลินกลับก็ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> ต้องร อ, งองตอนที่ใกล้ตายถึงจะเชื่อท่านยังไม่ตายนี่ยังไม่เชื่อ <c oughs> บอกกายตายนี่บอกให้ทําบุลเท่าไหร่ทำหมดเลยพ่อจการถาเพรา ะ, ะ, ะจ่าว่าจริงไหมคนเวลาจะตายเนี่ยจิตมันจะเข้มแข็งมากมันจะแบบมันไม่มีอะไรจะอะไรก็เอาหมดไหมคะ อ, อ๋อไม่แน่หรอกนะ <c oughs> มันแล้วแต่คนเคะจ็ตที่เคยฝึกมาอย่างไรไม่เคยฝึกมาอย่างไรมันจะเป็นอย่างนั้นถ้า <c oughs> มันเคยอ่อนแอนมามันก็จะอ่อนแอไปมันอยู่ที่การฝึรกฝนอบรม หรือการที่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องใช่สาคัญนะข้อมูลถูกต้องได้รับข้อมูลถูกต้องนี่พลิกจิตได้เลยพลิจากจิตที่อ่อนแอมาเป็นจิตที่มีพลังได้ขณะที่จะตายเนี่ยมันจะแบบอย่างพ่อพระเจ้าเนี่ยจ ะ, จะตายก่อนเจ็ดวันพระเจ้า ก, ก็บอกว่าเนี่ยให้ปฏิบัติอย่างนี้ให้ทํำนี้ท่านตามเลยเพราะรู้ยังไงไม่มีทางอื่นแล้วใช่ไหมตกลุมหลุมฐานเพิงแน่นอนยังไงก็ไม่ยอมตกอืม ถ้าอยากจะอยากจะบรรลุใกลตายต้องไปหาอาจารย์ดีๆก่อนมาหาอาจารย์สุดออนสมมตอย่างเดียวสอนสมมติอย่างเดียวไม่ใชมาสอนเชานี่นะแล้วต้องเริ่มยังไงสมมติจะอนเ่องเริ่มท่านสอนเป็นขนทานศีลภาวนาสามขั้นขั้นแรกก็คือให้เราลดการหาเงินหาทองแล้วก็ลดการใช้เงินใช้ทอง ก็ในการที่เอาเงินที่เราที่จะไปใช้ซื้อความสุขต่างๆนี้เอาไปบริจาคเอาไปสง่งเพาะช่วยเหลือคนอื่นแทนมันก็จะลดให้ความอยากใช้เงินซื่อความสุขต่างๆมันลดน้อยลงไปเมื่อลดน้อยลงไปแล้วก็ไม่ต้องกัวงวลกับเรื่องการหาเงินมาเพื่อที่จะมาใช้จ่ายเราก็จะสามารถเข้าสู่ขั้นที่สองได้ก็คือรักษาศีหนะ กสิ้นแค่สินห้าเลยสิ้นห้าสิ้ห้าก่อนถ้าได้สิ้นห้าแล้วถ้าอยากจะปฏิบัตินั่งสมาธิ่็ต้องกินถึแปดเพราะว่าเราจะต้องตัดตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการนั่งสมาธิถึแปดจะช่วยตัดเช่นเราไม่กินข้าวมากเกินไปแล้วถ้าเรากินมากไปแล้วนั่งสมาธิมันจะสับสนมันจะนั่งร้อนหรอกก็เรยต้องไม่กินอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว แ้วเราก็ต้องไม่มีกิจกรรมทางตาหูจมูกนิ้กันเพราะไม่เช่นนั้นเราจะไม่มีเวลามาปฏิบัติถ้าเรายัางต้องไปกินเลี้ยงต้องไปดูภา พ, พยนตร์ไปาหาอะไรเดี่ยวกับเรื่องมันเทิงต่างๆเราก็จะไม่มีเวลามาปฏิบัติกาอยู่วัดไม่ได้แล้วเราถึงสิ้นแต่ถ้าถึงสิ้นแต่แล้วเราก็จะไปอยู่วัดแล้วเราก็จะได้มีเวลามาฝึกทําใจให้สงบได้เดินจงกลมนั่งสมาธิ คือการเดินหรือการนั่งนี้ก็เพื่อเป็นการเปลี่ยนไอเดียบปแต่งานทั้งงานจริงๆไม่ได้อยู่ที่ร่างกายงานจริงๆอยู่ที่ใจอยู่ที่การควบคุมความคิดของเราความคิดของเราเนี่ยเป็นผู้ทำให้เกิดความอยากต่างๆขึ้นมาแต่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวเราก็อยากไปทาเรื่องนั้นเรื่องนี้เราต้องหยุดความคิดเหล่านี้ด้วยการให้คิดอยู่กับเรื่องเดียวคำเดียวเช่นพุโทโธพุโทโธ ถ้าเราอยู่ใจเราคิดอยู่แต่พูดโัวพูดโัวมันก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้แล้วพอไม่คิดแล้วความอยาบมันก็จะสงบตัวลงความความสงบใจก็จะปรากฏขึ้นมาแล้วมันก็จะเกิดความอิ่มใจเกิดความสุขใจแล้วมันจะเห็นคุณของการที่ไม่คิดไม่มีความอยาบเมื่อต่อไปมันก็จะพยายามพัฒนาให้มันมีมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อย เป็นในที่สุที่จะไม่มีความอยากน้อยหรืออยู่ภายในใจเวลาเกิดอะไรขึ้นกับอะไรใจก็จะไม่ไวุ่นวายไม่เดือดร้อนเพราะไม่มีความอยากให้สิ่งต่างๆเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นใจสามารถรับความสิ่งได้ทุกสภาพจะร้อนก็นรับได้จะหนาวก็รับได้จะเจริญก็รับได้จะเสื่อมก็รับได้เพราะใจไม่ได้เจริญไม่ได้เสื่อมไปกับสิ่งย่างๆใจเป็นเพียงผู้รู้เป็นเหมือนกระจกสะท้อนเงาต่าง ๆ, ๆนั่นเอง แต่ใจหลงไปคิดว่าเป็นผู้ที่รับรับรับรั บ, รบกับสิ่งต่างๆนั่นใจไปคิดว่าตนเองจเจริญร่ำรวยไปกับสิ่งต่างๆแต่ความจริงใจเหมือนเดิมใจเป็นเพียงแต่ผู้รับรู้เท่านั้นถ้าเปรียบเทียบกบเหมือนคนที่นั่งดูละครคนดูละครนี่ไม่ได้ไม่เสียกับละครที่เราดูใช่ไหมตัวละครเขาจ ะ, จะจะจะใหญ่จะโตจะตายคนดูก็เป็นเพียงคนดูเนทะ่านั้น แต่คนดูมักจะลืมไปว่าตัวเองเปคนดูมักจะคิดว่าตัวเองเป็นตัวละครเนี่ยเราดูร่างกายของเราเราไปคิดว่าเราเป็นร่างกายเวลาร่างกายเจริญเราก็คิดว่าเราเจริญกับร่างกายเวลาร่างกายเสื่อมเราก็ไปคิดว่าเราเสื่อมไปกับร่างกายเราก็เลยไปวุ่นกับความเจริญความเสื่อมของร่างกายและของสิ่งต่างๆที่ร่างกายเกี่ยวข้องด้วยแล้วเราก็ห้ามมันไม่ได้ในที่สุดของทุกอย่างมันก็ต้องเสื่อมหมดไปร่างกายก็ต้องเสื่อม รับสมบัติราบยศต่างๆที่ได้มากับร่างกายมันก็ต้องเสื่อมไปตามสภาพแต่ใจก็ยังเหมือนเดิมเหมือนตั้งแต่วันเกิดมาจนถึงวันตายใจก็เป็นเหมือนเดิมเพราใจเป็นผู้รู้ใจเป็นเหมือนกระจกสะท้อนรับรู้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นนี้แต่ใจไม่รู้ความจริงอันนี้แต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมเราจะมาพบกับกระจกเราจะเห็นตัวของเราว่าเราเป็นเพียงผู้รับรู้เท่านี้น รับรู้เหตุการณ์ต่างๆแล้วก็คิดปรุงแต่งไปกับเหตุการณ์ต่างๆแค่นั้นเองนี่ถ้าเรารู้แล้วว่าเราไม่ต้องไปปรุงแต่งกับมันก็ได้มันจะดีจะชั่วมันจะขึ้นกับลงมันก็ไม่ได้มาเปลี่ยนอะไรเราเราได้มาเท่าไหร่แล้วก็เหมือนกับไม่ได้เราเสียไปเท่าไหร่แล้วก็เหมือนกับเราไม่ได้เสียเพราะความจริงเวลาเรามาแล้วก็ไม่ได้ อ, อะไรมาเี้เวลาเราไปแล้วก็ไม่ได้ อ, อะไรไปเอาไปก็คือความหลงกับความฉลาด ฟังฟังไหนง่ายมากเลยครับก็ปฏิบัติไปมันก็ไม่ยากเนีย่ ย, ย, ย, ย, ย, ยเป็นวิญญชนอยู่แล้ว <c oughs> เป็นนักศึกษาเ <c oughs> จปอปริญญามาแล้วเนี่ยถ้าได้ได้ไดไดรู้จักความรู้ที่ถูกต้องมันทําไม่ยากไ ม, <c oughs> ไม่จําเป็นต้องทีวัดก็ได้ใช่ไ่ะไม่จําเป็นหรอกแต่ที่ไหนก็ได้ที่ไม่มีเหตุการณ์อะไรไม่มีหมู่คนไม่มีอะไรมารบกวนการปฏิบัติของเราทำไมนี่บางทีวัดจับไม่ดีใช่ไหมซ้ำไป เราอยู่วัดแล้วมันมีกิจกรรมอย่างอื่นมากเข้ามายกเว้นวัดที่เป็นวัดป่าวัดเขาวัดที่เป็นวัดปฏิบัติจริงชวนเข้าไปท่านโกลงก้าด้วยกันอไม่ต้องทําอะไรก็ปฏิบัติทีเดียเป้าหมายก็คือให้นั่งเฉยๆให้อยู่เฉยๆฝืนกิเลสจริงๆอ่ที่ท่านโกลงก้าสิ่งเขาก็ชอบแต่มันยากเพราะว่ามันมันขัดกับนิสัยของเราท่านเองเราเอยหมุนอยู่ตลอดเวลาเราเคยทําอะไรตลอดเวลาพอให้นั่งเฉยๆนี่มันยงุดหงิ รจริงๆเน่อจะชอบนะเพราะไรถ่ายความหงุดหงิ <c oughs> ก็คือต้องมีอะไรให้ให้ใจทําคำให้มันท่องพูดโทรไป<ๆ>ให้มันนับหนึ่งสองสามไปนับไปเรื่อยๆมันก็เพลินพอมันเพลินมันก็จะไม่หงุดหงิดสังเกตได้ยเวลาไปรอหมอรออะไรเนี้ยเขาจะมีทีวีดีโอให้ดูมีทีวีให้ดูเ <c oughs> พราะถ้าไม่มีอะไรให้ดูเดี๋ยวก็นั่งดูในกาให้ดูเออ ่ถ้าเราหดหิวเนี่ยลองหลับตาแล้วนั่งพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวมันจะหายหดหิเองเป็นขับรถดั้งรถไปเป็นรถมันติดอย่าไปดูดูแล้วยิ่งหดหิดใหญ่หลับตาแล้วนั่งพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวรถหนึ่ก็วิ่งมาใส่ถ้าเราไม่ได้ขับนะถ้าขับก็มรทุกทุกใจเราหดหิวใจมันอยากจะให้ให้ทุกอย่างเป็นเขียวตามความความอยากของใจนี่พอไม่ได้เป็นหมายความอยากมันก็เครียดตึงเครียดขึ้าภายในใจ แล้วแทนที่จะมาแก้ความตึงเครียดกับไปแก้ข้างนอกถนนไม่พอเราทำถนนเพิ่มถนนมากขึ้นรถมันก็มากขึ้นเราต้องแก้ที่ใจเดี๋ยวถ้าทุกคนมาแก้ที่ใจไม่ต้องเพิ่มถนนหรอกไปช้าไปเลยมันก็ไปชาจัดแค่นี้เองดิคุณสํารวยไหมไงั้นไอ้อธิบดีมันไม่มาดูเลยถน น, อ น, อนมันไม่ใช่ว่าเป็นถนนข้าวไม่มาดูเลยถนนเป็นอย่างนี้นเราแก้ปัญหาผิดก่นนะั้นเราไปแก้ข้างนอกแก้เท่าไหร่ก็ไม่พอ พเพราะถ้าแก้ตลอดแล้วทุกอย่างก็จบปัญหาต่างๆก็จบพระเจ้าสอนให้พวกเรามาแก้ที่ใจปัญหาอยู่ที่ใจเกิดจากความอยากของใจอยากจะได้สิ่งต่างๆเติมความเป็นไปได้ตอนนี้เป็นอย่างนี้ไม่พอใจต้องขยายมันต้องเพิ่มมันมากขึ้นพอเพิ่มมากขึ้นมันก็ปัญหาก็เพิ่มมากขึ้นอะไรต่างๆก็เพิ่มมากขึ้นมา เราโล่งนี้มันมีแต่มันมีมันมีปริมาณเท่าเดิมแต่เราใช้มันมากขึ้นมากขึ้นต่อไปมันจะมีอะไรให้เราใช้ใช่ไหมแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างมากก็ตายกันหมดเอง <c oughs> อย่งนันก็ต้องตายอยู่ด <c oughs> ีเกินมาเท่าไหลายกินมาเท่าไหร่ก็ต้องตายเท่านั้น <c oughs> <c oughs> ไม่มีเหลือเลยไม่ใช แล้วอะไรที่ตายจริงๆมันก็ไม่ได้เกิดมันไม่ได้ตายมันก็เป็นดินน้ำลมฝอยในเดือในร่างกายเราเนี่ยมันก็กินแาหาน้ำเนี่ยเข้าไปในร่างกายมันก็เป็นแค่น้ําอาหารที่เรากินเข้าไปมันก็เป็นดินอย่างเงีอาหารมันมาจากไหนข้าวมันมาจางไงนผักมันมาจางไหนเรกินเข้าไปแล้วมันก็มาแปลงเป็นขมขนและฟันหนังเนื้อเข้าไปพอมันอยู่ไม่ได้มันก็กลับไปสู่ดินน้ํำลมฝอยพอร่างกายนี้ตายไปแล้วมันกลายมันหายไปไหน น้ำก็ไห Applause ลออกมาลมก็ระเหยออกมากลินเนี่ยที่เราได้ลมกลิ่นนี่ก็ลมที่ away, tank, enfin ne, นไฟก็หายไปแล้วความร้อนเนี่ยร่างการ่างกายจริงๆนานๆก็แห้งกรอบกลายเป็นดินไปถ้าเป็นดินน้ำลมไฟมันมาจากโลกนี้มันไม่ได้ไปไหนมันไม่ได้มาจากไหนมันมาจากดินน้ำลมไฟมันกลับไปสู่ดินน้ำลมไฟแต่ใจนีที่มาเกี่ยวข้องกับร่างกายนี้มันไม่ได้มาจากแบบนี้มันก็ไม่ได้ไปกับเรานี้มันก็ยังอยู่ต่อ อย่างนี้มันอยู่ในโลกคลิปอยู่อีกโลกนะึงอยู่ในมิติตอนจะริงเราอยู่ในโลกเรามีสี่มิติร่างกายนี้มันสามมิติในชะ่มมีความกว้างความลึกความแคบแล้วก็มีอีกมิติมีความรู้ความรู้ความคิดนี่อยู่ในมิตินะเรียกีดกว่าโลกคลิดเวลาคนตายไปก็ถามไปไหนก็ไปอยู่ในโลกคลิดนะี่แหละ ถ้า ท, ทำบาปก็ไปอยู่ในโลกที่ย์ขั้นต่ําไปอยู่ในคุกตารางในโลกทิพย์ถ้าทําบุญก็ไปอยู่ในสวรรค์ก็โลกทิพย์ขั้นสูงเครื่องวัดบาป ห, หรือสวรรค์หรือนรกก็คือความสุขใจหรือความทุกข์ใจนี่เองเวลาใจสุขใจเราก็เรียกว่าสวรรค์เวลาใจทุกเราก็เรียกว่านรกมันไม่ได้เป็นสถานที่นะมันเป็นสภาพของใจของเรานี่เอง ใจนี่เปลี่ยนเหมือนกับเวทีละครเราสามารถจัดเวทีละครให้เป็นสวรรค์ก็ได้ใช่ไหมใช่ให้เป็นนรกก็ได้เน่ยเวลาเราไปดูละครนี่ก็จะจัดฉากก็เราดูใช่ไหมตอนนี้ <ๆ S 2> เป็นเมืองนั้น<ช>เป็นเมือง<ๆ>นี้ใจเราก็เหมือนกันวกเวลาเราทําบุญเราก็จัดจัดฉากจัดสวรรค์ขึ้นมาเวลาเราทําบาปล้วก็จัดนรกขึ้นมาจัดอมานขึ้นมาใจเราเป็นเวทีอย่างนรกสวรรค์ก็อยู่ที่ใจเราเนี่ย เกิดจากการจัดฉากของเราเองเกิดจากพฤติกรรมต่างๆที่เราทําอยู่ในจักรวัลนี้งัถ้าคนฉลาดก็คือไม่ควรจะให้อกุศลเกิดใช่ไหมจ๊ะค่ะก็ควรจะทําแต่กุศลทาแต่จัดฉากที่ดีจัดฉากดีช่วงนั้แล้วตอนเรื่องนี้ดีทั้งเรื่องเลยจะรู้ว่าดีไม่ดีก็ดูตอนเวลาฝันถ้าฝันดีจะไปออกที่ฝันไปได้เรากําลังเรากำลังจัด จัดฉากที่ดีถ้าเราฝันร้ายก็แสดงว่าเรากําลังจัดฉากไม่ดีมันเป็ลึกๆความจริงมันออกใช่ไห ม, ไหมอายเพราะการกระทําของเราทุกอย่างนี้มันถูกจารึกไว้ในความจําของเราเมและเวลานอนหลับความจําเหล่านี้มันจะออกมาผสมปรุงแต่งกับความคิด ป, ปรุงแต่งใครฝันไม่ดีบ่อยๆเตรียม <c oughs> ตัวเลย วิเศษถ่ายทำใหม่นาเลยโอกาสดีแล้วตาก็แต่ถามอาจารย์นึงว่าปกติเช่นความอยากก็เป็นทุกข์อะไรก็เป็นทุกข์หมดเลยที่ว่าต้องปล่อยวางแบบนี้อันมีอันหนึ่งก็คือความกลัวซึ่งก็เป็นทุกข์เหมือนกันกลัวนกนี่กลัวคนไม่อบกลัวะรงเนี้ยแลอย่างนี้จะต้องทำใจยังไงความความกลัวก็มันจะทำอยาก ความอยากไม่ให้เขาดา่าเรานี่พอเขาดา่าเราเราก็กลัวกลัวไม่สบายกลัว อ, อะไรกลัวสิดปัญหาตื่น่นเป็นทุกข์อันนั้นแต่มตไม่ใช่เกี่ยวกับ<ส Associate>ความอยากได้ใช่ไหมมันก็เป็นมันมีสามอยาก่ยความอยากได้กับความอยากไม่ได้เพราะว่าตัณหาเรียกว่าความอยากได้วิภาวะตัณหาแปลว่าความอยากไม่ได้อยากไม่ได้สิ่งที่เราไม่ชอบ่คือย่างไนมันก็ทําให้เราทุกข์ใจขึ้นมวิธีที่จะแก้ก็คือเราต้อง สนใจว่าเราไปห้ามสิ่งบงอย่างไม่ได้เราอยู่ในโลงนี้มีทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีมีส่วนที่เจริญแล้วมีส่วนที่เสื่อมจะเอาอย่างเดียวไม่ได้จะเอาแต่เจริญอย่างเดียวไม่ได้มีขึ้นก็ต้องมีลงมีได้ก็ต้องมีเสียถ้าไม่อยากจะเสียก็อย่าไปได้นมาอยู่เป็นพระนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นไม่ลงไม่มีตำแหน่งไม่มีตำแหน่งให้เสียเพราะไม่มีตํำแหน่ง พระพุเจ้าฉันฉลาดจังว่าถ้าอยากจะนีโลกกระทำแปดคือราบยศสารเสริมสุดก็ต้องอย่าไปมีมันอย่าไปมีราบยศสารเสริมสุดแล้วมันก็จะไม่ทุกข์กับเรื่องความเสื่อมของราบยศสารเสริมสุดก <c oughs> ็ต้องอยู่แบบขอทานสบายในะจอันนั้นสบายไม่ได้โง่ก็จังแต่ทุจใจ ร่างกายทุกไหนแต่มันไม่ใช่ของเราทั้งมันเนาะแต่มันก็ไม่เดือดร้อนอะไรความทุกข์ของร่างกายนี้น้ําหนักมันนิดเดียวใช่จ้ะค่ะถ้าเปรียบเทียบกับความทุกข์ทางใจนี่โอ้ยมันมันร้อยตอนหนึ่งยมว่าเศรษฐีนะทุกข์อ่ขอทานนะจริงๆนะถ้าเรารู้จริงๆซึ่งแต่เศรษฐีไม่รู้ตัวใช่ไม่รู้ว่าทายใจนี่ทุกข์มากใช่ค่ะนอไม่หลับเขาก็ไม่รู้ว่านี่เป็นความทุกข์ใช่ เนี่ยเศรีส่วนใหญ่ได้ยินว่ากินยานอนหลับใช่ไหถ้าตั้นั้นขอทานไปถามมันเคยกินไม่ยานอนหลับเพระนอนไม่หลับวามคิดหนึ่งมันคิดมันคิดเรื่องนู้เรื่องนี้จังวอนย่างนั้นเรื่องนี้ตลอดเลาไม่ก็นอนไม่หลับก็เลยต้องกินยาเป็นด้หลักแล้วก็ติดยามาหลับสงสารเสรจฐี ยิงเป็นรัฐนตรียง้าสารทุกขเสรีอีก็ไม่ไดบ้างบางคนก็ไม่เดือดร้อนอย่างอย่างท่านทดีแล้วท่านัญญาธรรมศาสตร์ก็ได้ยินว่าท่านไม่เดือดร้อนก็เป็นคนธรรมะธาโมดรอตอร์เช้าก็เคยเป็นท่านก็ธรรมะธรรมโมทนก็เป็นจิตธรรมฐานจิตครูบาอาจารย์ท่านก็มีธรรมะสอนใจอยู่นีื่อยๆท่านก็พิจารณาเลยให้มันไม่เทียมของชั่วคราว เดี๋ยก็หมดแล้วมันก็ดีนะเป็นพระธรรมสีนี่ถ้าพิจารณาเรื่อยๆมันก็เห็นอันิีจังใช่งอยู่ต้องเตือนใจใช่อยทันมไหมเที่ยงนะเราต้องพัดทากจากของนักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงไปอันนี้ได้ภาวนาทุกวันเลยพระธรรมสีเป็นความทุกข์นะ ในทุกของตนตัวเป็นทุกของครอบครัวด้ยใช่ใช่ก็มีมทุกกว่าในครอบัวจริงนะเพราะเขาไม่รู้จริงๆอะไรเขากังวลกังวลอย่างนี้เขาด้รูเป็นเองก็รู้ว่าเนอะไรแค่พอทาใจได้ว่ะแต่นั้นอย่างนั้นอย่างนี้แต่คนเาไม่้จมันใจเป็นเรืงจรํ้าบาปรู้เลยต้องมาเป็นต้องวายาเป็นเลยดีว่าองว่าตองว่ ฟังแล้วสบายใจเนาะทุกเมื่อไรมาที่นี่เลยเนี่ยเพราะพระจานทร์นี่จะพูดง่ายๆสิงเปิลไม่ต้องโยกโยะบอกตรงๆเลยเสียเวลาพูดโยกโยะพระจานทร์บอกบริจาคให้หมดลูกเดียวมันก็เรื่องจริงอะพระอาจาร์ใช่ั้มไม่ต้องพูดโยกโยะโอ้อย่างนู้นอย่างนี้เสียเวลา มีไอ้นี่ก็ทุกอยู่กระเป๋าเมื่อไหร่เราคว้างมันทิ้งมันก็มีทุกเประการมันซิมเพิ้นมากนะแต่คนเราก็ยังแบกอยู่ตรงเนี้ยใช่ถุงพลาสติกก็มืนกันมันก็เหมือนกันใช่ไหมประจาย์แล้วมันไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวเก่ามัน เรา ย, า, ยายังติดอยู่ที่คําสรรเสริญอยู่ยังกลัวคำตำหนิตีเตียวอยู่ครูอาจารย์เขาบอกว่าใช้อะไรเนี่ยอใช่จะบอกหืูอะไรอย่างเงี้ยบอแบล็ลุยบิทต้องอหนึ่งหารู้ไหมของปลอมหลอกจริงนะครูอาจารย์นั่นจริงจริเลยตรงเนี้ยม hmm, ันทําให้คนเนี้มันทุกข์มาก เพราะเราไม่ได้ศึกษาธรรมะ ก, กันมาตั้งแต่เด็กๆถ้าเราศึกษาธรรมะมันตั้งแต่เ ด, เด็มันจะปลูกฝังนิสัยเราให้กันนิสัยมักน้อยสันโดย์ <Ru iz. S 1> ยินดีตามตามีการเกิดพระอาจารย์ดูแล้วประเทศไหนที่พอถ้าเราดูๆนะที่เขามักน้อยเนาะพระอาจารย์น่าจะเป็นประเทศไหนอไม่มีหรอกทั่ว โ, โลกเลยเหรอคร <c oughs> ับทวนหน้า <c oughs> ก็มีพระสงฆ์อง์เจ้าเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่านั้นที่มากน้อยสันโดษจริงๆดังนั้นก็มีความโลภมากกว่านั้นไม่สันโดษแม้แต่ผู้หเหืองทุกวันนี้ก็ไม่ได้มักน้อยสันโดษดังนันเท่าไหร่ยังมาติดราบด้วยกันเสียดายเวลา ก็อย่าไปกังวนกันเรื่องของคนน่งดูตัวเราก็พอเาบ้างน้อยสันโดษหรอ่คนห่ก็บางน้อยสันโดษก็ไม่ได้ทำให้เราบนางน้อยสันโดษดูกันรับอาจารยเอาตัวเราดูเอาดูตัวเราตายเห่อตนนนนถุนตอนเป็นที่พึ่งของตนใช่อย่าไปไปกัวนกับคนหนึ่มีอะไรยังถามกันไหม เอเป็นนาที่ทองแล้วนะรวยสมรนพิเศษอะทุกเยอะถามเยอเยอะเลยรู้ส่สบายแล้วคิดว่าไม่เที่ยงท่องไว้อยู่เรื่อยอนิจจังของชั่วคราวทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่อมมีได้มีเสียดูคนที่ผ่านมาเราตกลงปีเกืร้อยคนแล้วตอนนี้หายไปไหนหมดแล้วหมดสภาพไป เราก็เหลือไม่กี่ปีมันก็หมดสภาพไปเหมือนกันไม่มีใครที่จะเป็นถาวรถึงว่าเป็นถาวรก็ต้องตายก็ต้องจบอยู่มันลูกถาวรยังไม่มีเลยพระอาจารย์เวจบเวลาตายก็จบอยูอ่ของพวกนี้มันเป็นของชั่วคราวมันไม่ได้เป็นของจริงเป็นเหมือนของปลอมท่านวามองทุกอย่างในโลกนี้ให้เหมือนก็มันเป็นเหมือนปลอม ง, งาม ฟองน้ำนี่มันจะวิกฤติสะดานจะใ ห, ใหญ่จะเล็กเคียดกันเดี๋ยวมันก็แตกมันก็หาไปเนี่ยชีวิตของพวกเราทุกคนเนี้ก็เหมือนฟองนะเดี๋ยวมันก็จบไปดูคนในสมัยกรุงศรีหายไปไหนหมดแนละ้วคนสมัยกรุงสุขโขทัยหายไปไหนหมดนะแล้วกลายเป็นซากประหักพังไปหมดแล้วนะพวกเรายุคนี้ก็เหมือนกันต่อไปอนาคตลูกหลานเรามาเกิดมันก็จะศึกษาประวัติศาสตร์ขอพวกเราแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ไป ขอใอยมองโลกกันเหมือนโรงละครเราไม่เล่นละครกันเวลากลับบ้านเราก็กลับไปเป็นคนธรรมดาสามัญทุกคนมีอะไรบวชอะไรก็เล่นไปแล้วก็เอาเอา บ, บาทบาทนี้มาทําประโยชน์หรือทําตามผู้เจ้าทรงสั่งสอนจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท ประโยชน์ตนก็คือทําใจเราให้มีความสุขด้วยการบําเพ็ญทางสีงฆภาวนาเมื่อเรามีความสุขแล้วเราก็ไปสอนคนอื่นต่อให้เขาบําเพ็ญทางสีงภาวนาเพราะนี่เป็นเหตุของความสุขที่แท้จริงการทําทางการรักษาสีงการภาวนามันจะอยู่ติดกับใจเราความสุขที่ติดกันกับใจเราที่ทําให้เราได้เป็นเทพเป็นพรหมเป็นอะไรนี้ก็เนี่ย เกิดจากการทําทางรักษาศีลภาวนาถ้าไม่ทําทางไม่รักษาศีลทําบาปแทนไม่ทอวนะก็ต้องไปเป็นาบาปก็เกิดในบาปอาจารย์ทารมนุษย์เนี่ยที่ตายแล้วจะเกิดเป็นมนุษย์ติ๋เนี่ยน้อยมากนะคะอ๋อกลับมาเกิดเป็นดาวจะช้ารหรือเชเร็วอ๋อเหคะต้องอไปล่องลอยก่อนขึ้นอยู่กับบาปกรรมบุญที่ทำไว้มากน้อยถ้าบาปมากก็ต้องไปใช้บาปนาน ถ้าบุญมากก็ต้องไปอยู่เป็นเทวดานางแต่ในที่สุดเมื่อบุญกับบาปบมดกำลังที่จะดึงไปในอบายหรือไปสวรรค์ก็จะต้องกลับมามาเป็นมนุษย์อ่จาจะมาเป็นมนุษย์ก็มีอยู่สองแบบพวกที่มาจากข้างบนกับพวกที่ขึ้นมาจากข้างล่างมนุษย์ที่ขึ้นมาจากข้างล่างก็จะพวกที่มาเกิดแบบไม่มีอไม่มีวาสนาพวกอาภัพวาสนาเกิดมารูปร่างหน้าตาไม่สวยงาม อาการไม่ครบสามสิบสองสุขภาพไม่สมบูรณ์แข็งแรงอายุสั้นฐานะยากจนมปปัญญาชึกนีมาจากข้างล่างมาจากกระบายกันพวกที่มาจากข้างบนก็จะมามาแบบมีมีวาสนามีบารมีเพราะวาสนาเก่าที่ทำไว้ยังมีติดค้างอยู่กับใจบุญทานทานที่ได้ทำบุญที่ได้ทำเิ่งที่ได้รักษา สมาธิที่ได้ทำว่ายังยังมีติดอยู่กับใจก็จะมาเกิดมามีรูปร่างหน้าตาสวยงามผิวพรรณส่องใสอายุยืนยาวนานสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีโรคภัยแค่เจ็บมีฐานะการเงินการทองที่ดีมีสติปัญญาที่ที่สูงสามารถเรียนวิชาต่างๆได้จบปริญญากันได้ เราก็พอจะบอกได้ว่าใครมาจากไหนใช่ไหม เ, <laughs> เราเดาพอจะได้ไม่ต้องรักษาอย่างน้อยต้องรักษาศาสนาภาพของของเดิมไว้ไม่ตกต่ำกว่าเกา่าเห็นขอให้เชื่อพระเจา้าเชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงตายแล้วไม่สูญตายแล้วต้องไปรับผลบุญผลบาป แล้วเมื่อหมดแล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดใหม่ก็ต้องออกบวชเหมือนพระพุทธเจ้าแล้วก็ตัดกิเลสให้หมดขจัดความรู้ความโกรธขวางหลงแล้วก็จะได้ไปอยู่คอนโดชั้นสูงสุดอยู่เพนท์เฮาส์ไม่ต้องกลับมาอีกเลยเไม่ต้องกลับมา <c oughs> ก็หก็ต้องเริ่มต้นที่ทานก่อนเลยใช่หอ่าคดทำทานนี่วันนี้จะทาทานนี่ที่สำนักนี้มีที่ไหนฮะที่ทาทานได้ครับอ่าก็ใช้เงิเดียงมันเดียวเดียวจะจัดการให้แล้วก็กลับไปทาอะไรต่อรักสินซื้อสินอ่าว่าสาวทิ่มั่งต้นทินห้าก่อนแล้วเมื่อไรทอมแล้วกลับมาหาท่านบัวที่สาวันนัภาวนาสิสาก็น่าจะถือที่บ้านได้ได้ก็น่าะ คือการปฏิบัตินี่ที่ไหนก็ได้เพียงแต่ว่ามันต่างกันตรงที่ว่ามันมีอะไรลบควนมากน้อยคถ้าที่วัดมันก็อุปสรรคน้อยถ้าที่บ้านเราถือถึงแต่แต่แฟนก็สิ้นข้าวเย็นเดี๋ยวก็เขาก็ชวนเราสิ้นที่เอาสะหน่อยเดี๋ยวไม่สบายนะเปิดตู้เย็นทั้งวันเดี๋ยวเช่ญเรานึ่งซื้อ่ไปได้นะสื้อธรรมะทุกเรื่ออยากได้มาซีดีเราจะสั่ง พวกนี้ก็เป็นเหมือนแผนที่เป็นเป็นแปลงสำหรับสร้างบ้านเราก็มันจะสร้างพ้ามิพานกัยเราก็ต้องมีแปลงหรือว่าเอาจะต้องสร้างด้วยวิธีกันมีหนังสือทำมากใคจะทําให้เราสร้างได้ยังไม่ผิดถ้าไม่ได้อ่านไม่ศึกษาเราก็จะทําผิดผิดถูกๆูกแล้วบ้านมันก็จะไม่ได้ตามทอเปคที่เราต้องการต้องเริ่มต้นที่การศึกษา อ่านหนังสือธรรมะให้มากมากฟังมากๆแล้วเราจะได้รู้จักวิธีการปฏิบัติที่ถูก ต, ต้องคนอื่นจะถามก็ถามอาจารย์ได้น ะ, ะเขามาก่อนแล้วก็ถามใหหมนหลวค่ะหรือคุณนันน์เนี่ยยัไม่ได้ถาม มานี่มาครั้งแล้วเมือวานก็กลับครั้งแล้วด้วอะไรนะก็ของก็ตอเทเจ้าภาพใหญ่ที่เขียนก็บอยาก็บอกอย่ราชารมาเชียงมาเชียงสัมมาณามีมาเชียงพิษานมีมาพักผ่อนมาชวนเพื่อนกลุ่มมิจฉาวชนหนุ่มมาสังสรรคมาดูกบมนสุริตอนเชืาสุริย์เก้ยองแล้วก็ อาจารา์ร้อนสูงได้ค uh, ือะฮก็เอ่อมันเดินที่เราใช้แก๊สธรรมชาตินเพลังไฟฟ้าเนี่ยไอคอนีิคอทอรที่นํำเข้าแก๊สมาเป็นแฉกประเภทเอลยีตแก๊สเหลวเขาแก๊สเหลนี่เป็นอุณภูมิลบลบลบสิบเอ็ดนะเย็นมากเลยตะนนี้ก่อนจะเอามาเป็นแก๊สไปใช้เนี่ยก็ต้องทําให้มันให้มันร้อนขึ้นเศษความเย็นมันก็ต้องออกไปความเย็นตัวเนี้ยเขาก็เอามาทําเป็น กระโจมใหญ่เย็นถูกฟรีมัน้องเสียตังค์แล้วเาก็ปูกต้นไม้ให่โตกระจายเยอะแย่ะเลยเพื่อจะวิจัยเพื่อเพื่อจะได้ทำสรงออกหรือทำขายหรืว่าคือเพื่อจะได้ประโยชน์คือแทนที่ฟันเย็นที่ไม่เสื่กมได้กขเลยเขาก็จัดพิธีรัตการให้คนเขาไปดูหระมาณวันประมาณส3งสามืนคนอ๋อตอนี้ก็วันนี้เป็นมาสุดท้ายแล้วก็ เลยเลยมาดูว่าถือโอกาสที่จริงๆก็คืออยากจะเจวเพื่อนสูงสังสรรค์านกินข้าวเอเดี๋ยวเย็นนี้ก็เจอกันมาสอง้ำคันก็ตอนนั้นก็อยากไปไหนก็ว่าไปแล้วก็ไปเจอกันเปช่วยพิราเลาด้วยพร้าอลาด้วยแล้วก็เพื่อนที่อยู่ทางานที่พลังงานอุตสาหกรตรงนี้ดี กลนี้อยากมาฟังธรรมะกระายกลุ่มนี้อยากมว่าเพราะว่าพอพอเราเกียณอายุแล้วนี่นะก็เออเขาไม่ได้ทําอะไรแล้วก็ทุกอย่างก็แหทุกอย่างก็ปล่อยวางปล่อยวางปล่อยไม่สนใจเรื่องอะไรก็ไหลมันก็มีความสุขนนะแต่ที่ว่าบางบางครั้งก็มันก็ยังอยากทํามันก็ยังอยากเรื่องไม่ไม่หมดสักทีอย่างไหอ ก็ต้องมาปฏิบัติทำเท่านั้นเองถอนสมองไม่ได้ทักทีคืออย่างน้อยมันก็ได้ลดอะไรไปรเยอะก็ไปฟังอยากฟังอะไระก็ไม่น้อยลงคือ <ใช S 2> ไม่สนใจอะไรอีกแล้วล่ะเพราะว่ารู้ว่าอายุมากแล้วสนใจก็มีแต่ครอบครัวมีแต่เพื่อนฝูงแล้วก็สุขภาพตัวเองเท่นั้นเองคมีได้เงินเลยอยากเจออยาก เพราะเดี๋ยวนี้ประเทายมากขึ้นขึนกินก็หายากกินไม่ได้แล้วมแต่เพื่อนตายเพื่อนตายแล้วแล้เอกาแล้วีกองกลอายไปตีลครตีลครเนี่ยมันติดแอรก็เลยบอกว่าเอ๊ะพวกเราในนะอายุมากเป็นเจ็ดสบตั้งนั้น่ะเจอกันบ่อยๆีเวาต้อย ก็ดีเพราะเหนอมันจะไม่มีแล้วเหนอก็หมดแล้วก็เลมากก็ทํานัราไดกินกงกินข้ากับเพื่อนเจเพื่อนรักใสบายใจดีกว่าตอนที่เราทางานตอนก่อนหน้านั้นเดี๋ไม่มีเวลาตงแต่ใหญ่ก็ไม่มีเวลาแล้วมันไม่มีเวลาเลยวันวันไม่มีเวลาทั้งวันทั้งคืนก็ดี็โอกาสดีได้มาฟังธรรมด้วยได้ทำานอย่างได้เพื่อนดีเพื่อนเพื่อนเีเขาก็ ศึกษามาทางนี้เยอยผมก็ไม่ใคยเรียนศึกษาเท่รกเพราะว่าไม่ใช่นแต่ว่าเชื่ออยู่อย่างเดวยวอ่ะเราตีหน้าให้ให้ให้เตะแล้วกันก็จะได้ก็ได้แล้วแต่ชวนปุ๊บมาปั๊มน้าไปได้ชวนปุ๊บมาปั๊มเชวนะไม่ต้ังโชคดีก็เพื่อนเดียาก็ไปเลือกมาทางนี้ น่าพอหลังกันเมื่ถามได้ยมามาง่ายไงเพราะเขาไม่ไกลเท่าไหรเลยบ่ายสองมอนนี้เราได้คจะได้พาเพ่้คุณโยดังก็ือต้องเรื่ในดีการนี่นะจะได้ไม่ต้องเอาไปกันเอาไปเป็นห่อหไปอะไเป็นห่อไปแจกเอาไปแจกกลุ่มนั้นด้วยรหลังคุณพิเศษจดไว้ปัญหามาเลยบ่ายสอง หายขาของกันก็ตามตามคุณํารวยมานี่แหละคุณลำรวยไม่นำก็หลงเลยอมันกเอาให้ของสมเด็จสราาภหน้าเป็นไงเนี่ยครับผมก็ปีที่แล้วก็มานมาสการขั้นปีนี้ก็มาอีกนะครับแต่มาก่อนนะแท้เรานะพยายามครับเรียนร้รับศารับปัล้วได้ผลดีจะจะพี่มหากั้าได้ มีคำสอนองนี้ตามาด้วยมีเนี่ยเราไปฟันเลยถูกไมถูนะมาเลยครับเอ้าไปเลยคอมันข้างหน้าเราสนใจมากๆเาจะอยากจะได้จะได้ไม่ต้องมาหาอันนี้อี่าได้เคยมาสว่านนะครับเคยนะดีอันนี้ดมากเชื่อมาจัดสิยาส์สว่านไปครับ เพื่อหาสมุนกษาเพื่อนพกปีนไทยพวกเศรษฐนัมันนี่มานอบรอบยกลับม่ามาก็นี่ิเพรว่ามาที่นี่ก็อิไรมสดีใช่หมมันเป็นดีๆแต่มันก็มันก็เป็นเอพีสามเปิดทกงเปิดงเครือเป็เอมีค่ะ เพื่อนกับพี่มากราบทางการอ่าไี่เป็นไรดีมีอะไรจะถามเรอมีอะไรมีการบ้านมาส่งที่นี่ไหมที่นี่ก็ตรวจการบ้านให้ได้เหมือนกันนะรับตรวจจาไบ้ยมวันนี้ยมทำสมาธิเพิ่มขึ้นคเช้าเย็นแล้วก็ จากเดิมที่โยมบางทีก็เคียนมากไปหรือบางทีก็รู้แบบลอยๆโยมไปเกิดสภาวะที่มันโล่งโปร่งสบายแล้วก็เหมือนกับว่าเราเจอทางสายกลางที่มันไม่ไม่มากไปไม่ร่องลอยเกินไปนะคะอาจาแล้วก็มันก็เป็นสภาวะที่มันสบายเบาสบายมีความสุขแล้วก็ บางวันก็แล้วแต่บางทีก็มีสติเข้มแข็งมั่งไม่เข้มแข็งมั่งแล้วก็รู้สิเครื่องไห ว, วบางทีก็กายเคลื่อนไหวก็รู้ได้เรื่อยๆอย่างเนี้ยค่ะมไม่ได้ม่เถอก็ต้องต้องรู้กิเลสอย่าไปรู้อย่างองื่นรู้ว่ากําลังโลภ ก, กาลังโกรธรู้รปะ่ะรู้ว่ากําลังอยากรู้ป่ะรู้ตัวอื่นไม่สําคัญต้องเห็นกิเลสอ่าต้องเห็นกิเลสแล้วก็ตัดมันให้ได้ ตัดความโลบตัดความอยากตาดการให้ได้ที่เห็นจิตขยับคยับวันนี้ไม่ใช่กิเลสเลยขึ้นทางโลกเดี๋ยวเดี๋ยวรอรออันเดี๋ยวไปรอที่ที่สารานัก่อนเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่ว่างเดี๋ยวรอเดี๋ยวที่ยอมรู้สึกก็ยอมเห็นจิตขยับขยับอันนี้ไม่ใช่กิเลสคือมันเป็นอะไรไม่รู้ยอมก็ไม่รู้มันก็เป็นอาการของจิตออาการของจิตเวลาโลภอยากได้อะไรต้องตัดมันให้ได้นอยากจะซื้อกระเป๋าใหใหม่ เวลาโกรธใครก็ต้องให้อภัยเขาให้ได้อย่าอย่าให้มันโกรธอย่าให้มันอยากอยากได้นู่นอยากได้นี่อย่าให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นอย่าให้คนนี้เป็นอย่างนี้อยากให้ร่างกายเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ต้องไม่ให้มันมีอถ้ามีนั่นมันจะทุกข์ขนาดนี้นะที่เราปฏิบัติเพื่อมาดับความทุกข์การที่จะไปเห็นไอ้นู่นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างงี้ มันก็ดีถ้าเห็นแล้วมันหยุดความอยากได้ถ้าเห็นแล้วมันกลับท้ายเกิดความอยากเพิ่มขึ้นมันก็ไม่ใช่อ่าถ้าเห็นความแก่แล้วเราจะเกิดความอยากไม่แก่หรือเปล่าหรืออยากหรือปล่อยให้มันแก่ต้องอยู่ตรงนี้ถ้าเห็นความแก่แล้วอยากจะให้มันไม่แก่ต้องมาย้อมผมอย่างนี้แสดงว่ามันมันเป็นกิเลสถ้าเห็นมันแก่แล้วยกเออแก่ก็แก่ห้ามมันไม่ได้ ร่างกายมันเดียวมันก็ต้องแก่กันทุกคนปล่อยมันแก่ไปไม่ทุกข์ของมันอย่างนั้นเรเรียกว่าตัดความอยากได้คือให้ปฏิบัติเพื่อไม่ทุกข์กับความแก่เพื่อไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ทุกข์กับความตายมันต้องดูว่าร่างกายมันต้องตายมันต้องเจ็บมันต้องแก่ห้ามมันไม่ได้แต่ห้ามใจไม่ให้ไปทุกข์กับมันได้ โดยการไม่ให้มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายาแก่ก็แก่เจ็บก็เจ็บตายก็ตายเราจะปฏิบัติก็จะดูอะไรดูตรงนี้ดูที่ตัวความอยากเพราะความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจความไม่สบายใจถ้าอยากจะสบายใจก็ต้องไม่มีความอยากจะไม่มีความอยากได้ก็ต้องเห็นความจริงที่เรายังอยาก ไม่ตายก็เพราะเรายังไม่เห็นความจริงว่ามันต้องตายถ้าเห็นความจริงว่ามันต้องตายมันก็จะหยุดวามอยากได้เพราะอยากยังไงมันก็ตายอยู่ดีถ้าไปอยากมันทําไมอยากให้มันทุกข์ทำไมเราไม่เห็นความตายกันเราไม่นึกถึงความตายกันไม่หต้องให้หมอบอกถึงจะเห็นเดี๋ยวไม่สบายไปหาหมอหมอบอกเป็นมะเร็งเนี่ยหรือ3เดือนเด็นตอนนั้นถึงจะเห็นจริงๆตอนนั้นเห็นแล้วทําใจไม่ให้อยากได้สัก ทำใจให้เฉยๆไม่เดือดร้อนวุ่นวายกับความตายได้เข้าใจไหมอา่าจะดูให้ดูตรงนั้นนะดูแต่ก็คือโยมก็ทำอย่างนี้ไปแต่ว่าให้มาสังเกตตัวกิเลสอ่เพราะเท่าที่ทำนี่มันทำทำใจให้ว่าสงสงบด้วยสตินั่นเองเอแต่พอมีเรื่องฟั้มมันสติจะแตกก็่นะั้น พอหมอบอกไม่สบายเป็นมะเร็งนี่มันมันจะทําใจให้ว่างเหมือนนั้นไม่ได้นะมันจะมากังวลกับความตายอยู่เรื่อยๆงั้นเราต้องมามามาศึกษาเรื่องของความตายแล้วเรื่องวิธีปฏิบัติสความตายให้ได้ว่าเราจะต้องทําใจอย่างไรถึงใจเราจะได้ว่างเหมือนกับตอนที่เรานั่งสมาธิเองโยงใช้วิธีแบบพระป่าที่เขาตัด จับไปให้มันกลายเป็นสับไม่ให้มันเป็นหมูเป็นหมูบดช่อเลยยงไปเอาหมูสัมาพิสัยร่างกายในที่สุดเดี๋ยวมันก็ต้องหมดสภาพไปเพื่อจะให้เห็นว่ามันต้องตายนมันไม่ใช่ตัวเราของเราเราเป็นเพียงผู้มาอาศัยมันใช้เป็นเครื่องมือชั่วค่าวเราเป็นเหมือนคนขับรถร่างกายนี้เป็นเหมือนรถเราเนี่ยมันร่างกายมาที่นี่ได้เพราะเราสั่งให้มันพา พาเรมาถ้าเราไม่คิดว่าวันนี้จะมาที่นี่มันก็ไม่ได้มาที่นี่คือให้พิจารณาแบบนี้บ่อยๆแล้วก็เวลามีความอยากหรือกิเลสเกิดก็คือให้คอยตามรู้ทันก็ให้รู้ทันว่าอย่าไปอยากในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้อยากไม่แก่นี่เป็นไปไม่ได้อยากไม่เจ็บ่ายได้ป่วยอยากไม่ตายนี่เป็นไปไม่ได้ถ้าอยากแล้วมันเป็นไปไม่ได้มันจะทุกข์ใจถ้าไม่อยากเราจะไม่ทุกข์ อ ใ, ใ, ใ, ให้ให้มาหัดทำใจรับกับความจริงรับความจริงของร่างกายว่ามันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันจะต้องกลายเป็นขี้เท่ากลายเป็นเศษกระดูกไปแต่ไม่ต้องกลัวเพราะามันไม่ได้เป็นเรามันเป็นเหมือนรถเราเป็นเหมือนคนขับเป็นคนละคนกันเ อ, อรถพังคนขับไม่ได้พังไปกับรถใช่ไหมคนขับก็ไปหาซื้อรถใหม่ ร่างกายนี้พังไปก็ไปหาร่างกายใหม่แค่นี้ถ้ายังอยากจะกลับมาเกิดหถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดใหม่ ก, ก็อย่าไปอยากอย่าไปอยากมีร่างกาย่าั้ระหว่างที่ทำภาวนาอยู่ แล้วร็จแลพวกเวชนาเกิดแล้วทำการบริการมิ้กโตอย่างเร็วๆหลังจากนั้นีเวชนามันเกิดเบาบางลงระบบหันที่มาทําบริการเป็นอยู่ลมหายใจแทนแล้วคู่หนึ่งเมื่อเจออาการที่หน้ามันวูกเย็นนี่งไปแล้วแต่แล้วมันก็เหมือนสระปบเป้ามาว่านั่งเหมือนจิตนันงจิตอื่นพื้นที่งโล่งๆพอหลังจากนั้นก็ได้พิจารณาได้ยินเสียงอะไรต่างๆแต่รู้ว่าอาการักเดก็ยัอยู่ด้วยความที่ลืมที่ทาของอาจารย์ไปสอนผมไปพิจารณาไปรังกับพิจารณาการมามสิบสองไปเลยอะครับ ผมจำได้ว่าอาจารย์บอกว่าให้ให้นิ่งไปจนเรืเนน่อยๆับกามันจะถอนออกมาเองเออแต่ผมไปเล่งพิจารณาพิจารณาปุ๊บเราก็ได้ฟังตกใจที่มันเก่งขนาดนี้ เ, เ, จจากกาเลยขอนออกมาเองถ้ามันไม่ไ ด, ไได้อยู่ในสมาธิ น, น, นานๆมันเหมือนกับไม่ได้รับอาหารไม่ได้รับการพักผ่อนพอจ า, จากสมาธินามันจะไม่มีกำลังที่จะมาพิจารณาทางปัญญาถ้ามันไม่ได้ แ้วพอจะกลับไปเต็นเหมือนเดิมมันก็ไม่มีเกิดอาการได้แค่เป็นแค่วูบแบบไปแค่ขนลุกชูแค่นั้นเองเราก็ไม่มีอาการอะไรแค่นี้เองก็ต้องทําไปเรื่อยๆเหมือนไปตกปลาบางวันก็ได้หลายตัวบางวันก็ไม่ได้เนี่แต่ถ้าไม่ไปตกมันก็จะไม่ได้เลยก็ต้องทําไปเรื่อยๆบางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องปกติของการปฏิบัติมันจะไม่ได้ทุกวันหรอกเพราะการเจริญสติของเรามันไม่เท่ากัน บางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีเห็นต้องมองภาพรวมอย่าไปมองเฉพาะวันต่อ ว, นวันต้องทำไปเรื่อยๆเ ป, เป็นเดือนเป็นปีไปเลยแล้วมันถึงจะเห็นภาพชัดเจนของการปฏิบัติัองเราถ้าถึงตอนนั้นก็คือปล่อยให้มันนิ่งพิจารณาแคนิ่งนใจพัก ไ, ไม่ต้องพิจารณาบ ร, ริกรรมอะไรเลยยัง<ๆ>ไม่ต้องเพราะว่ า, า ม, มันยังไม่มีกําลังที่จะไปพิจารณาพิจารณาก็จะไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ผตนอนนี้เราต้องการสาร้างกําลังให้กับใจก่อน มันือนก่อนจะออกไปทํางานนี่ต้องพักผ่อนหลับนอนคินข้าวให้อิ่ก่อนนี่นอนได้ชั่วโมงก็ปลุกขึ้นมาแล้วไปทํางา น, นมันไม่มีแรงทำได้นีดเดียวมันก็อยากจะกลับมานอนหน่อยอีกทีขั้นแรกนี่พยายามฝึกสมาธิให้มันชนานาญให้มันได้สบงบมาให้มันนิ่งเป็นชั่วโมงนี้เข้าไปทีแล้วนิ่งเป็นชั่วโมงไปแล้วออกมามันก็จะมีกําลังที่จะมาพิจารณาความตายความแก่ความเจ็บ พิจารณาอาสุภาษะอะไรต่างๆอาการสามสิสองถ้าพิจารณาบ่อยๆมันก็จะติดตาติดใจแล้วมันก็จะไม่ลืมไม่ดลงแล้วมันก็จะยอมรับความจริงไม่ต้านความจริงพอไม่ต้านความจริงมันก็จะไม่ทุกข์ที่มันทุกข์เพราะมันต้านความจริงมันไม่ยอมรับความจริงกั น, mm hmm. ะนะอันนี้ยะหนูอยากจะอขออนุเขามนเดี๋ยว เอาแล้วนะวันนี้คิดว่าเหนื่อยแล้วพ อ, อสรรควรแก่เวลาขอให้นำามาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติพื่อความสํคัคัญเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปเถิด